ว่าบางคนที่ไม่เคยเข้าวัดเอ็นเสียงหน่อยก็าวามไม่ถูกพระน่าสงสารที่วางไม่ถูกอาใช้ความอดทนไปก่อนตอนแรกๆเราพ่อมีความธรรมะแล้วก็พูดกันคุยกัน ไปกันเรื่องอะไรเราฟังไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยต่อไปมันก็รู้เองทีนี้ค่อยๆประจ่างขึ้นประจ่าขึ้นประจ่างขึ้ น, นว่าอ่านหนังสือไปบ้างฟังไปบ้างอะไรไปบ้างมันก็ค่ชินดีมันก็ก็ชินฉะ น, น, น, นั้นถ้าซีดีแผ่นไหน เราฟังไม่ออกเปิดบ่อยๆเปิดมันบ่อยๆฟังมันบ่อยๆรู้ต่อไปก็รู้นี่คือเป็นการเรียนรู้นี่เราดูว่าพระพุทธเจ้าโปรงเ จ, จ, จ, จ, จะเจาะเจเจาปิจโจปัญจวัคคี ตอนนั้นก็ยังไม่เป็นภิกษุเป็นดาบทเมื่อพระองค์จะจะรู้หน่อยๆนอรงก็คิดว่าเราจะไปสอนใครคดีคิดคิด ด, คดูคิดคิดดูคิดดูไตรตรองดูโอ้โอน่าจะไปที่อาราธดาบท เพราะท่านเคยไปปฏิบัติแล้วก็ได้โรคประชานพอรูปขาวว่าพ่อมุตกาดาบทเสียชีวิตไปแล้วเร็วๆนี้เองเห็นไหมบุญไม่จัดสรรบุญไม่จัดสันห้เอา มีอีกสำนักหนึ่งบุตกาดาบที่รโร่งไปฝึกจนได้อารูปปัญชาและกดเสื่อหายเสียชีวิตอีกผ่านมาแค่เจ็ดวันเองนี่นี่รูปปชัชญาหรืออารูปปัญชา รูปปชานนี่ก็พูดให้ฟังแล้วทบทวนทบทวนฌานนี่แปลว่าเพง่งเพงสมาธิถึงที่สุดก็คือฌานไม่ใช่ญาณญาณแปลว่ารู้ฌานแปลว่าเพง่งแปลว่าเพ <c oughs> อันนี้การเพง่เเพงการ ถ้าเราทำสมาธิเระก็บพ่งเพ่งลมหายใจเพ่งอะไรเราก็เพ่งเพ่งที่นี่เสร็จแล้วเราเอาวัตถุชิ้นหนึ่งเหมือนกับว่าเอามาวางไว้ที่ใจกลางมืออย่างนั้นเนี่ยเราก็พิจรารณาพิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังเป็นยังไงเป็นทุกข์ขัเป็นอย่างไง มันเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ตัวตนเป็นยังไงเพ่งมันเข้าไปเพ่งมันเข้าไปเพ่งมันเข้าไปเพ่งมันเข้าไปนี่เรียกว่าฌานวิตกวิจารเพ่งไปคิดไปคิดเรียกว่าวิตกคิดเรียกวตรีตรองตรีตรองตรีตรองตรีตรองที่ตรองเรียกว่าวิจารวิจาร ่อดาวิดาทีนเ้ว่าเราเพ่งเราตรีตรองอยู่จนั้นเห็นจริงนีเราเห็นจริงเห็นอะไรเอาเส้นผมมากระจุกนั้นใส่ไว้ที่กรามใจมือก็รู้มันเป็นอะไรจำยังไงผมนี่มันสีดำดูสีแสงมันเปลี่ยนยังไง แห่งไปแห่งไปแข้งไปแห่งไปสีมันก็เปลี่ยนแล้วก็ที่น่าเกลียดก็คือมันสกปรกถ้าเราคิดว่ามันสะอาดมันสวยงามมันเป็นของกูถ้าเช่นผมนี้มันตกลงไปจานข้าวตกลงไปในถ้วยแกง กบดุลรนะมันจกกระปรกปรกตัวมันเองมันก็จกกระปรกมันจกกระปรสีสันก็จกกระปรที่เกิดที่อาศัยก็จกกระปรอาหารมันก็กกระปรหน้าที่การงานของมันครับที่พูดก็จกกระปรกแค่มันก็เปลี่ยนแปลงไม่มีใครชอบ ผมสีขาวพระติดผมสีดำพอมันขาวขึ้นมามนก็มาอบนี่คือการเปลี่ยนแปลงทีนี้เราตรีตรองไปตรีตรองไปตรีตรองไปแต่ว่าเกิดวิตตวิจจาเกิดทุกคนแหละเราทำสมาธิอย่างนี้เกิดทุกคนแหละจะว่ารูปประชานแต่รูปประชานมันอาจจะไม่จบก็ได้ มันไปจุดแค่ปิติปิติพอคิดออกแล้วโอ้โู้ใช่ใช่ใช่โอ้เห็นแล้วบอกไม่ถูกว่ามันเป็นยังไงบอกไม่ถูกว่ามันเป็นยังไงตื้นตันไปหมดโอ้พอตอนนู้นหลายสิบปีแล้วพอคิดออกอย่างนี้สิ่งใดที่ผู้ที่เราคิดก่อนคนอื่นหมดคิดถึงยมแม่ โอ้เราจะต้องไปสอนยมแม่แล้วอย่างนี้ไปสอนยมแม่แล้วน้ำโบกน้ำตามันไหลในตอนนั้นน่ะตีตีมาแรง ม, มากไม่ใช่ยแต่ว่าสบายใจมันมากกว่านั้นล้นเหลือเลยล้นเหลือเลยนี่เรียกว่าวิตกวิจัยแล้วก็ข้อที่สาม วิตตวิจารร่างรง็บลงราเดียววิติวิติถ้าวิ ต, ต, ติมันมากเกินไปมันก็เลยไปในทางชานไ ป, ไปในทางชานวิติวิตกวิจารปิติวิธีเช่นว่าเรานั่ ง, งนี้นัตัวตรงพอนั่งแล้มันก็สงบสงบสงบส ง, บ, งบอิม่ม มันอิ่มอยู่อย่างนั้นพิธีตัวนี้ะมันอิ่อยู่อย่างนั้นเวลากินอาหารกินอาหารพยายามกินอาหารที่เบาๆแทนพวกข้าวต้มอย่างเรีบเรียบรีบรีบรีบรีบรีบกินจะได้อยู่กับพิธีอีกกินเรียวถ้ามันจบไปเลยมีดีกว่า อยู่กับปีตนินี่การอยู่กับปีติตการเคลื่อไนไหวแล้วก็ชาชาชาชานี่ถ้าหากว่าเราจะยกของหนักยกไม่ได้ปิติมันจะหลุดเราจะยกก้อนหินยกกระถางต้นไม้จะต้นเหรอไม่ได้คนที่อยู่ในองค์ฌานทาไม่ได้ทําไม่ไ ด, ไได้เดินอย่างนี้กำดดหนดแต่ปีติ สงบสงบสงบสงบสงบกำหนดแต่ปีที่อย่างเดียวทุกข่าวอย่างกำหนดแต่ปีทีอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้อเบือเลยธรรมชาติก็เหมือนกันจนเบือเอาพอวันที่วันที่พอแล้วพอแล้ว ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วปิติเบื่อแล้วเบื่อแล้วนีถ้าปิติของคนธรรมดาเนยะ็กนิ ด, น ด, นดหน่อยหน่อยพ่อแม่อยู่เชียงใหม่นานๆนนจะได้เจอลูกสักครั้งหนึ่งพอลูกมาก็เกิดปิติหรือว่าลูกอยู่เมืองนอกเมืองนาอยู่อเมริกายืรมันยุรโรป พอมาถึงก็ต้องกอดกันอะไรกันน้ m ตาไหลนิดเดียวไม่ได้จากเซียวนิจินั้นไม่ได้จาเซียวไอ้นี่มันเขาให้กินจนเบื่อเลยเบื่อไม่จำเบื่อเอาทีนี้ปีติจ้วันถวันทวันไม่เอาแล้วเบื่อแล้ว อะไรที่เราหิวที่เราชอบที่เราพอใจกินก็ไปเลยกินกินก็ไปมากที่สุดเช็ที่เลยเอาเต็มที่เลยในที่หลังพอเห็นเบล์นเบล์ง่ายง่ายเจนทุเรียนอย่างนี้ทุเรียนเนี่ยระชอบทุเรียนแต่บางคนก็ไม่ชอบ ตอนพี่ชอบพูดเด็ก็กินก็ไปเลยกินกินกิกกกเบือ่อทีหลังเบือ่อพอเห็นแล้วก็เบื่อแล้วเกิดความเบื่อขึ้นมาแล้วพีตีก็เหมือนกันเป็นอย่างนั้นเอาทีนี้พอพีตีเราลงไปเมื่อพี่ตีเราลงไปทำอย่างไรจ้องทีนี้สติจ้จองดู อะไรมันจะเกิดขึ้นต่อไปอะไรมันจะเกิดขึ้นดูดูดูดู ด, ด, ด, ดูดูที่จิตนั่นแหละดูที่จิตอะไรมันจะเกิดขึ้นความสุขตีการไหลไปความจุขเ ก, ดกิดขึ้นมาแทนทีนี้ความจุนี้เขาเอาเงินมาให้1นึ่งล้านบาท ให้แลกกับความโุกไม่เอาไม่เอาเรกเอาทองมาเป็นก้อนก้อนก็ไม่เอาไม่เอาทางนั้นเอาเพชรมาแลกก็ไม่เอาอยู่กับความชุกตัวเดียวมันชุกชกโชกโชคโชคโชไม่ใช่โชกไมไม่ใช่โุกเกลี่ยโชกเย็นใจมันเย็นใจมันเย็นเย็นเย็น มันเย็นมันสงบมันเย็นมันสงบมันเย็ น, น, ย น, น, ยนความสุขนี่คือความสุขนี่ความสุขในองชาเนี่ยแสมเปินหนังตัวอย่างทีนี้พอรบไปขึ้นเป็นวิปัสสนาต่อไปก็ไปพบความสุขตายตัว เตสังโูปสมสสขของการข้าไปสงบรระนับสังขารทัพพวงกายสังขารการกระทำด้วยกายความจกทางเมื่อทางหนังวจีสังขารปอใจ เ, เวลาเขาพูดมีความสุขมโนสังขารคิดถึงอดีตต่างๆนานาที่เคยมีความสุข ไม่ฉาดอันนี้มันฉาดอันนี้สุกเย็นสุกเย็นไม่ใช่สุกไม้ไม่ใช่สุกเกลี้ยวนี่มันหลายความสุกในนิพพานพระบังสุก ข, ขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานเพราะกิเลสมันดำพะกิเลสมันดับกิเลนี้ มันหอมร้อมเจ็บพ อ, อเราเอาไอ้เครื่องปรุงมันออกไปเหลือแต่ความสงบเหลือแต่ความสงบนี่คือความสุขตัวอย่าหนังตัวอยางเฮ้เราก็อยู่กับความสุขโอ้อยู่ความสุกความจุกความสุกจิ้มอยู่ภายใหนล่ะบันเดื จ, จิ้มอยู่หลนะั้นเจิมอยู่หลนั้นจิ้มเจ็บเจ็บเฉยหยุอะไรอย่างะะั้นยังไงต่อไปพอมันมีความสุขเราก็อยู่กับความสุข ด, ดื่มดำกับความทุกข์สีวันหวันหวันเจวันพอน้เือเน้เือเ น, พอน้พือ้วก็หายไป จางไปางไปก่อนวิตวกจารติุขสุดท้ายของรูปฌานก็นคือเอกะกะตาจิตเอกะกะตานี่จิตรวมเป็นอันหนึ่งเป็นอันเดียวกันจิตรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่เช่นว่า เรานั่งเรือลํานด่เราก็ต้องพายเองเราพายเองทีนี้เราไม่ต้องพายตอนนี้ไม่ต้องพายน้ามันไหลเราก็ให้เรือนี่มันไหลไปตามน้ําเราก็ถือท้ายเรือถือท้ายเรือมุ่งตรงไปอย่างนั้นไปเรื่อยเรื่ยเยืย เป็นหนึง่งจิตเป็นหนึง่งเอกกตาจิตเอตกกตาจิตนี้จิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวไม่ยินดีไม่ยินร้ายตสมมติว่าในขณะนั้นเขาเราเดินทางเราเดินนี่แเราเดินเราเดินในบริเวณของสถานที่ที่ หมูบัานพันดาวที่ตรงนี้แหละสอง ข, องของ้างทางฝ่ายซ้ายอาอาทอบงบางกงเป็นกองกองกองกงกองกงทองทคนั้นเลยไ่ายขวาเป็ดนินจินดาเต็มหมดเลยแต่ว่าคนที่เขาอยู่กบับเอกกตาจิต ไม่สนไม่สนอะไรฉันก็ไม่สนไม่สนใจทางนั้นมุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวนี่เรียกว่าเอก ก, กัตตาจิตเอกกตตาจิตทั้งหมดนี้เป็นรูปประชากรูปประชาทีนี้เราอยากคิดว่าเออหลวงพ่อแล้นทำยังไงให้มันได้ชานไม่ต้องหรอกไม่ต้อง หมดแล้วแต่บรรมีของเราเราเพียงแต่เอาตอกกับวิการปีติแค่นั้นพอแล้วพอแล้วทํา ง, งานได้แล้วแค่นั้นก็ทํา ง, งานได้แล้วแต่นี้ที่พูดให้ฟังเพื่อที่จะเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้เราได้เข้าใจทีนี้ถ้ามันเกิดก็จะเดงว่ากรรมอาภิของเราหนัก สมาธิของเราหนักมากมันก็เลยเหลือไปเป็นองค์ฌานไปเป็นองค์ฌานมีนีมีองค์ฌานรูปฌานหรืออารูปฌานถ้ามีองค์ฌานองค์ฌานนี้เป็นพื้นพื้นเป็นพื้นฐานคุณทัศนีเจ้าของบ้านพันดาว สร้างกฎติสร้างนั้นสร้างนี้ต้องลงพื้นก่อนต้องลงเข็มก่อนต้องอะไรก่อนเราลับน้ำหนักได้เท่าไหร่อะไรเท่าไหรนี่เรียก ว, ว่าพื้นฐานเป็นพื้นฐานถ้าเรามีบา ร, รมีเรามีชาญที่ได้ทั้งรูปชาญ ทังอารูปฌานเราก็มีพื้นฐานที่หนักแน่นา ม, มากที่จะรับน้ำหนักได้มากนี้มันเป็นเรื่องบนบา ร, รมีของเราเอาทีนี้มันไม่หยุดอีกแค่นั้นมันก็ไม่หยุดพอเป็นเอกกาตาติดแล้วไม่หยุดไม่หยุด ที่กัอ้าวดูไปต่อไปจ้องจ้องจ้องดูถ้าเราเออกไปทางทุ่งนา <c oughs> มีนกกระยางน้ามันไหลอีกันนาเราเปิดช่อง<อ>น้ําให้น้ํามันไหลนกกระยางก็ไปนั่งจ้องดูที่ช่องน้ําที่ตรงนั้นจ้อง ทำสมาธิล็อกระยางทำสมาธิว่าไหลปลามันจะมาตอนไหนต้องทำสมาธิแมวแมวแมวนั่งเงียวนั่งอยู่ข้างๆที่มันมีกลิ่นหนูหน่ยนั่งเงียวแมวนั่งสมาธิล็กกระยางก็นั่งสมาธิ เห็นไหมเสืออยู่ในป่าแล้วก็นอนเงีงงองอยบจอ้องจ้องจ้องจ้องดยงจ้องดงจ้นะนี่คือสมาธิสมาธิทาให้เกิดชาทําให้เกิดชาทีนี้ก็ถ้ามันยังไม่หมดเกลียวก็ขึ้น อรมูปฌานคืออรมูปฌานตัวแรกก็คืออาตาานันจายตนะอากาศานั้นคืออากาศอากา ศ, าาศนัออาาศาาศจนจายตนะคืออายตนะที่กําหนดอากาศเป็นอารมณ์ อากาศานันใจยตนะอากาศมันไม่มีรูปนี่เราเลยเรียกว่าอารูปอารูปอรูปทนี้พอเราจ้องแล้วก็เกิดอากาสานันใจยตนะนี่อากาศอากาศภาวนาอยู่ว่าอากาศอากาศอากาศอากาศก็ดู เรานั่งอยู่ตรงนี้ถ้าไม่มีอากาศหายใจเราก็ตายที่อากาศที่เราหายใจออกแล้วเราข้าวไปอยู่ในคนนั้นมัน่งอยู่ในคนนี้มั่งไปอยู่ที่ต้นไม้บ้างไปอยู่ที่สุนักบ้างไปอยู่ที่แมวบ้างไม่จำกัดมันเต็มไปด้วยอากาศอากาศอากาศอากาศอากาศ ข้าทางตาหูจมูกลิ้นกายทั่วทั้งร่างาากายมียาตัดทีนี้อากาศถ้ามันไม่มีอากาศเรารปลูกเช่นว่าเอาตัวเขียวมาทักกำมือหนึ่งเราเอามาเพาะแล้วก็ครออไวายครอขอไวายก็ขึ้นนิดๆหน่อยๆ เสร็จแล้วก็ตายเลยเพราะมันขาดอากาศผ้าขาดอากาศก็ตายต้นไม้ใหญ่ก็ตายต้นไม้เล็กก็ตายตายหมดไม่มีอะไรเหลือขาดอากาศระเบิดปรมาโูน่ะเขาทําให้ขาดอากาศออกไม่มีอากาศมันก็เกิดอะไรขึ้นมา มัก็เกิดเหมือนกับว่าแรงอัดอย่างนั้นพอเกิดแรงอัดขึ้นมามันขาศอากาศหายใจโรคไฟมันมากเกินไปอะไรเกินไปเพราะแรงอัดเพราะแรงอัดนั้นมันก็กตายทีไม่มีอากาศหายใจอีกก็วิ่งหนีวิ่งหนีคือไม่มีอากาศกาดอากาศที่อากาศนี่จําเป็น นี่คือธรรมชาติธรรมชาติที่สร้างขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาไม่มีอากาศอากาศเสียทำยังไงธรรมชาติก็สร้างมาให้หมดต้นไม้แต่ละต้นแต่ละต้นโรงงานพ่ออากาศออกไปเป็นขา่าบปะเราหายใจใครหายใจออกไปเป็นขา่าบปะ เสร็จแล้วต้นไม้ก็รับพาบ้านานั้นมาปรุงทำให้เป็นออกซิเจนต่อไปโรงงานดังนั้นเราปลูกต้นไม้ไว้ตามบ้านตามชอม่องแต่ไม่มากเกินไปให้พอดีพอดีให้พอดีอดอดนั่นคื อ, อโรงงานธํรหรบที่จะ่อกอากาศใช่ไหม เห็นนี่อาการานัญจายตนะอายตนะที่กําหนด อ, อากาศอากาศท่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวกายอากาศทางนั้นเอาทีนี้เบื่อแล้วอากาศรู้แล้วเรื่องอากาศรู้แล้วเอออากไปอีกอากาศานัญญายตนะจางไปอีกต่อไป แก้ตัวไปขึ้นมาอีกจ้องจ้องจ้ อ, จ, อจ้องจ้องดูจ้องดูก็เกิดวิญญาณันจายตนะวิญญาวิญญาณันจายตนะอายตนะเกิดตาหูจมูกลิ้นการจังกำหนดวิญญาณวิญญาณก็คือตัวรู้ไอ้ใจผีวิญญาณตัวรู้รู้อู้ วิญญาณทางตาที่หลวงพ่อบอกว่าวิปัสสนาพอยุกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาเนี่ยมันเลยชานไปแล้วจิตที่กำหนดวิปัสสนานามารูปอย่างนี้นามารูปอายตนะตารูปจากภูวิญญาณนั่นถ้าตาเห็นรูปแล้ว ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยแสดงว่าคนนั้นตาของคนนั้นไม่มีวิญญาณก็ดูที่คนที่นอนหลับนอนหลับแล้วก็ตาก็ยังเปิดอยู่กรอกไปกรอกมากรอกมากรอกไปรู้อะไรเห็นแต่ว่าไม่รู้นั่นคือมันขาดวิญญาณทางตาขาดวิญญาณที น, นี้ อตาสาัญใจยตนะยตนะที่กําหนดความรู้คือวิญญาณววิญญาณทางตาวิญญาณจะ่าไเอาวิญญาณผีมาปนกันเป็นอันขาวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกวิญญาณทางลิวิญญาณทางกายวิญญาณทางใจ เรียกว่าจักผูกวิญญาณเจตวิญญาณตาณวิญญาณอยูหาวิญญาณตายวิญญาณมโนวิญญาณถ้าตามปฏิทินมุบบะปตัวที่สอวิชาโมตัวเริดมาเป็นตัวปูอวิชฌขานการปรุงแต่ง หรือการกระทําทางกายการกระทําทางวาจาการกระทําทางใจหลังขานสาวิญญาณความรู้วิญญาณในตัววิญญาณความรู้ตัวที่สามในปฏิจจสมุปบาทนั้นความรู้ทํางตาความรู้ทางหูตาหูลิ้นกายใจรู้อะไรรู้รู้ รู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สิ่งที่มาสัมผัสกายรู้อารมณ์ที่มากระทบทีนี้การรู้นั้นเป็นยานทัศนะยาณนทัศนะแต่ว่ารู้ด้วยปัญญาพอรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยก็มาแบกไว้ทำไมแบกไว้ทำไมทีนี้ อาจารย์บางท่านพอนให้รู้รู้รู้รู้ใครรู้กูรู้แบกกูกันทีนี้ลูกศิษย์ก็แบกกูอาจารย์ก็แบกกูแบกแต่กูเลทีนี้ไม่ต้องทำอะไรกันนี่สอนอย่างนี้นติดหมดเิงติดกันหมดไดาอย่างนี้ทีนี้ถ้ารู้แก้เห็นจริง ปล่อยวางทั altung, ้งผู from, ้ร no, ู้ก็คือกูในผู้รู้ปล่อยวางทั้งสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้ก็ปล่อยวางไอ้กูก็ถูกปล่อยวางกูก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนสิ่งที่ถูกรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายไปสิ่งที่ถูกรู้ ก็เป็นนิจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญ า, าว่างจากตัวตนนี่ไม่ใช่ว่าวิญญาณผีวิญญาณผีก็ต้องรู้โดยวิญญาณ น, นี้แหละใช่ว่าผีหรอกก็ ว, วิญญาณต่างๆมันเกิดกนี้ได้ยินเสียงโดยไม่มีต้นเสียงเมื่อไม่มีต้นเสียงนั่นแปลว่าผีนะผีนะ มันก็เสียงนั้นมันก็เกิดดังแล้วก็ไม่พ้าไปสนใจกันเทว่ทัตของพ่อยู่บนเขาเป็นฝ่ามีเข า, า, เ อ, าอยู่กลางเมืองถ้าฝนตกใหม่ๆตอนหัวคำ่ำมันดังเสียงดังแต่อย่างนั้ น, น, นคิดว่าผีหรอแล้วเสียงเจ็น เยน็ยนเที่ไหนได้มันเป็นฉ่มอมฉ่อมที่ฉ่มอมมันฉอมมันหมหอมนะอ่ามันก็มากินในไรผักผลไม้เล็กๆหมามันจะไม่กลัวเลยคนกลัวยี่หรอยี่หรอนี่นั่นน่ยคือวิญญาณที่มันกล้าใจผิดวิญญาณที่ไม่รู้เราต้องรู้ว่ต้นเสียงมันมาจากไหนต้นเสียงมันมาจากไหน ไอ้ต้นเสียงเอออนิจังอนัตตาไอ้เสียงเอออนิจังอนัตตาคนที่รู้เสียงได้ยินเสียงอานิจังอนัตตานะปล่อยปล่อยหมดปล่อยทั้งผู้รู้และตัวรู้ไม่นานคนนะไม่นานเป็นประหลาดเลยใจอย่างนั้นที่นี่มันไม่มีเหตุไม่มีผลดังนั้น อากาศานันจาญตณ ะ, ะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเพียงแต่ว่าญาะนะกําหนดอากาศว่าไม่มีช่องว่างถ้าเกิดช่องว่างขึ้นมาก็ขึ้นเครื่องบินนิเพะในอากาศมันเกิดช่องว่างขึ้นมาแคอย่างไงตกลุมนี่จกใจตกลุมอากาศเจ้ากลุมที่มันไม่มีอากาศ พอไม่มีอากาศมันก็วูบ ล, ลงไปเครื่องปินอนีูบลงไปมันก็ช่างหัวมันตอนนั้นมาจากไหนก็ไม่รู้นั่งที่ด้านท้ายของเครื่องบินติดกับหางนั่นแหละมันวูบ ล, ลงไป จ, จ้างหัวมีนกลัวอะไรมันอ่ะทีนี้คนที่ไม่รู้ก็กลัวกลัวนั่นก็เรียกว่าตกหลุมมาอากาศหลุมที่ไม่มีอากาศนั่นแหละหลุมที่มันไม่มีอากาศ นี่คืออากาสารัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะที่ว่าให้ฟังคือกําหนดตัวรูปกําหนดอาญตนะตรหูตห ม, มู่กิ่งกาจัยกำหนดตัวรูปตัวรู้คือวิญญาณ น, น, นี้วิญญาณผีวิญญาณผีแล้วก็กําหนดด้วยด้วยวิญญาณ น, นี้แหละวิญญาณเรานี่แหละ วิญญาณที่ตาหูจมูกหินกายใจนี่แหละวันหนึ่งเนี่ยก่อนที่จะมานี้ก็ไม่นานที่สาวหลวงพ่อเสียชีวิตเสียชีวิตเขาก็ไม่รู้เบอร์โทรศัพท์ก็เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่นี้สองสามวันแล้วก่อนที่จะรู้วันนั้นไอ้คืนนั้นน่ยนอนก็นอนอ่านอะไร ตื่นอสองตื่นแล้วมันอะไรอะไรนี่มันอะไรมันอะไรที่อย่างนี้มันวิญญาณนี่มันรู้กับวิญญาณอะไรมันเรียกว่ามันมันมีอะไรอย่างหนึ่งที่เรารู้เราเราต้องรู้เรียกว่าต้องรู้มันจูนกันได้อย่านี่มันอะไรอย่างนี้มันผีนี่วิญญาณผีนี่อย่างนี้ก็ทำอย่างไรถึงออกอย่ามายุ่งเลย เขาไมรู้ว่าของใครอะไรยังไงก็ขวดน้ำให้ไปขวดน้ําให้ขวดน้ำใ ห, ำให้มันเป็นอย่างเนี้เป็นอย่างนี้มันทําให้บอกไม่ถูกว่ามันเป็นยังไงผีมันเป็นอย่างนั้นเือวิญญาณผีมันอยากจะมาบอกเราว่าน้องพี่นี่เสียชีวิตแล้วนะไอ้น้องไปนั่นก็บอกไม่ได้ บอกไม่ได้ก่อมาทำกลุมเครือกลุมเครือกลุมเครือแต่ไม่ได้มาปีบมาอย่างนั้นมาอย่างนี้นั่นคือวิญญาณอย่างหนึ่งท <_ bla> ีนี้เราต้องมีเซนตน์ต้องมีเซนต์เราก็ว่าเราข้าไปในถ้ำเราข้าไปในถ้ำก็รู้สึกได้ทันทีว่าในถ้ำนี้มีเจ้าของก็บอกนี่มาเยี่ยวไม่ได้มาจูไม่ได้มาเอาเป็นเจ้าของเราบอกจากั้น วิญญาณที่รู้ด้วยวิญญาณเอาทีนี้พอเช้าขึ้นมาหลวงพ่อตื่นก็มีหลานเองรู้เบอร์โทรศัพท์ก็ปก็โทรมาก็เลยรู้เอานี้เองเหรอนี้เองหรือเมื่อคืนที่มา น, นันนั่นคือวิญญาณผี ก็รู <interpret ations> ้ด้วยวิญญาณนี้แหละวิญญาณทางตาทางหูเนี่ยเราเรียกว่าเซ็งเซ็งเรียกว่าเซ็มีเซ็งถ้าใครรู้อะไรลึกเรียกว่าเซ็งมีเซ็งคนนั้นวิญญาณัญญายะนะในองศาอาจินจัญญายะนะก็จ้องอีกแล้วอ๋อหลายๆวันเบื่อนี่กินอะไร กินอยู่อย่างเดียวกินไปปิ้งปิ้งย่างปิ้งปิ้งย่างยาปิ้งปิ้งย่างยาเดี๋ยวคนมาเรีนมันต้งมาเยี่ยมเปลี่ยนไปเรื่อยต้องเปลี่ยนไปเรื่อยวิญญาณก็เหมือนกันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนทีเปลี่ยนจากวิญญาณนันจายตนะก้อดูต่อไปเหมือนลกระยางน่แหละดูดูน้าที่มันไหลไหลไหลไหลไหล ก็เกลือใจกินปลานเสร็จแล้วเกิดขึ้นมาอีกตัวนึงอาหารจันทร์ญญยตนะอาหารจันทรย่ันทร์นั้นอีเพลิงไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยก็เอาไปยึดมั่นเถือมั่นเพาตัวกูตัวกูก็ไม่มีจิตก็ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่มี ไม่มีอะไรเลยยอมทัศนีนี่ที่ดินของกูมาสร้างไว้เมื่อไหร่เป็นของกูต้องกูกันทางนั้นเลยมาปร่อยอยู่เขามาล่อยอยู่ที่ดินมันก็มีอยู่แล้วแล้วก็เปลี่ยนเป็นเจ้าของเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปไม่มีใครเป็นเจ้าของเองทักคนหนึ่งมิไจะเปลี่ยน เป็นความที่มันมีอยู่แล้วเป็นของผู้โลกของกูในด้านกฎหมายแต่ในในด้านจิตใจนะ่ะไปจากของกูมาเลยถ้าในด้านจิตใจเป็นของกูก็มาแบกไว้ทำไมเราอย่าเอามาแบกวไาาบกวนะ้ทุกอย่างเนี่ยเรามีทรัพย์สมบัติอยาเอามาเป็นของกูทีนี้อากินจัญญาญานะ ว่างเกณฑ์ว่างทุกอย่างว่างไม่ใช่ทุกอย่างเป็นตัวกูเป็นของกูทุกอย่างว่างจากตัวตนไม่ใช่ว่างไม่มีไม่ใช่ว่างไม่มีเพราะเดินตามสายตามสายก็คืออนิจจงทุกขังอนัตตาเดินตามสายนี้แหละทุกอย่างไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนและก็ไม่ใช่ของตน ว่มันไม่มีตัวตะแลของตอนมันจะมาจากไหนเมื่อไม่มีต้นไม้แล้วนกมันจะมาจับได้อย่างไรเมื่ไม่มีต้นไม้ดันั้นว่างอย่างนี้จะบอว่างจากตัวตนว่างจากตัวตนนว่างจากตัวตนนี้ก็เสเปิอย่างยิ่งเลยตัวอย่างของพระนิพพาน พระนิพพานต้องเห็นอนิจจังต้องเห็นทุกขังคืออยากข้าวไปยึดมั่นถือมั่นในความสุขก็อยากข้าวไปยึดมั่นถือมั่นในความทุกข์ก็อยากข้าวไปยึดมั่นถือมั่นในความโง่ก็อยากข้าวไปยึดมั่นถือมั่นอนิจจังทุกขังปล่อยมันไปอนิจจังไหลเรื่อยไหลเรื่อยไหลเรื่อยไหลเรื่อยทุกขังยึดมั่นถือมั่นมันไม่ได้ อนัตตามันไม่ใช่อัตตามันอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่ตัวตนถ้าเห็นอนิจจังไหลเรื่อยทุกอย่างไหลเรื่อยมันชีสากของเราคือเราทูลเราไว้ถ้ามันไม่ไหลเราก็ต้องไม่ต้องไปตัดนที่ที่ต้องไปตัดมันทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนพรามันไหลเพราะมันไหลเล็กก็ต้องตัด อะไรก็ต้องตัดเพราะมันไหลถ้ากินอาหารข้าวไปแล้วไอ้ส่วนที่มีประโยชน์ก็ไปบำรุงร่างกายออกมาเป็นเหงื่อเป็นไครมันไหลมันไหลมันไหลไหลทางนั้นมันไหลทางนั้นทนี้อนิี้จงคือมันไหลมันไหลทุกขังอยากข้าไปยึดถือมันทุกอย่างมันไหลอย่างนั้นมันไหลอย่างนั้น จิก็ไหลกายก็ไหลวัตถุก็ไหลโอ้ไม่ดอันนี้น่าอะไรกุลาเมื่อวานนี้อกพุ่มพุ่มหยกวันนี้ปากเช้าก็เริ่มเริ่มที่จะบานอไอโดมดรู้ักกนอมีแล้วก็สวยสีงเงา้าเทียมบานจะรัง บานสวยงามมากโอ้อใจใจไปตัดมาไกลแกกันลืมใส่น้ำได้ยังไงทีนี้พอตอนบานพอตอนเย็นเดียวเฉาอนัตตามาแล้วมาแล้ว อ, น, อนัตตาอาทิจจังุกขขงเราถ้าไปยึดมันหรือมันอ่นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนนี ต้เห็นอนิจจังไมเที่ยงไหลเรื่อยเห็นทุกขังอยากฆ่าไปยึดมั่นคือมันมันเป็นอนัตตาแม้แต่ข้าวเมล็ดขวพระเล็ดทายเขาอยากฆ่าไปยึดมั่นคือมันมนเพราะมันเป็นอนัตตามันไม่ได้เป็นอัตาอนนี้รวบยอดพอรวบยอดสุญญตาเพรามันว่างเหนือพวกนั้นเลยมันว่างทั้งนั้นเลยทั้งโลกทั้งจักรวาล มันว่างจากตัวตนมันว่างจากตัวตนก็ไปลงที่สุนญาตาก่อนแหละไปลงที่สุนญาตาก่อนทีนี้เมื่อไหนๆก็พูดเรื่องสุญญตาแล้วก็เอาที่ตรงนี้เลยโมครชเป็นลูกสิธิ์ของอาจารย์สำนักหนึ่งแล้วก็ได้ยินข่าวว่าก่อนพระพุทธเจ้าขึ้นมาในภาคเหนือ ของประเทศอินเดีย น, นี้ัวหน้าใหญ่ก็ได้ยังไงลูกศิษย์เขาคิดว่าไปหาอาจารย์ที่ดีกว่านี้อาจารย์นี้ก็เป็นแค่พื้นฐานเองก็เลยลาลาพระอาจารย์พระอาจารย์ก็บอกว่านี่จะเป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่จริงถ้าเอารหนานี้ไปนคนละสองสามปัญหา ก็เลยผูกปัญหาให้แต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนที่หกคนมานกเรียกว่ามานกทีหกหคนทีนี้ไอ้าาบาลีก็เรียกว่าโสรัาโสรัาสิบกไม่ใช่ว่ากะเวกกีิ่ช่ไมช่อนี้ปาาบาลีโสรัสาทีนี้โสรัสาิหก เมื๋ยว่อก็เดินเท้าไปไปพบพระพุทธเจ้าพอไปพบพระพุทธเจ้าข้าไปถามปัญหาแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนคนสุดท้ายที่วงโมกคาราโมกคาราขอยนานนะข้าไปถามพระพุทธเจา้าบอกของเธอรอไว้ก่อนรอไว้ก่อนเพราะว่างโมกคาราบอ บอกให้พระพุทธเจ้าฟังพระองค์ก็รู้ปัญหานี้เป็นปัญหาของทุกคนเราค่อยตอบทีหลังสรุปกันเลยทีนี้นอกนั้นก็ถามกันเจาะจ๊กเจ็ะจ๊กเจาะปัญหาเล็กๆ็กน้อยน้อยนอกนั้นทีนี้พอถึงปัญหาสุดท้ายของคนสุดท้ายหรือโมกราชาโมกขาราชไปถามปัญหาพระพุทธเจ้าว่า ทำยังไงพระเจ้าค่ะทนนิยายนายตายทำยังไงอยากให้ตายมันตายกันทุกคนเลยไม่มีใครเหลือสักคนทำยังไงอยากให้ตายพระพุทธเจ้าพระองค์ได้โอกาสแล้วพระองคก็เลยต่อปัญหานี้เราก็จะพูดเป็นภาษาบาลีก่อนชนจะโตชนจะโตก็คือชุญญตาย รุญนยาตาก็คือว่างนั่นแหละรุร่นยาโตโลกังอาเวขัดสุโลกังก็คือโลกรุ่นยาโตโลกังอาเวขัดสุโมกราชสทา ส, าสโตอัตตานุทิถิงอูหัจเอวังมัจจุตโรสียาเอวังโลกังอาเวขันตังมัตตุราชาณปัปสติก็ไม่ต้องจําหรอกเรื่องสมอง หลวงพ่มองเดียวพอคือแปลเป็นภาษาไทยว่าดูก่อนโมกข ร, ราชท่านตจงมีสติมองโลกโวยความเป็นของว่างต้องมีสติแล้วก็มองโลกโดยความเป็นของว่างโลกมันก็ทั้งหมดแล้วโลกมันก็ทั้งหมดนะจักรวาลนี่ก็โลกทจงนั้นแหละแม้แต่เม็ดกรวดเม็ดชาย เม็หนึ่งก็เป็นโลกหนึ่งโลกหนึ่งโลกหนึ่งโลกโลกทังนั้นตัวเรากนหนึ่งก็เป็นโลกหนึ่งอิตก็เป็นโลกหนึ่งโลกทังนั้นมีโลกทั้งหมดมันรวมอยู่ที่จิตนี่แหละจักรวาลทั้งหมดก็มารวมอยู่ที่จิตนะดูปอนโมคา ร, ราท่านจงมีสติมองโลกโดยความเป็นของว่างมองอย่างไร เราพูดกับเจ้าว่ามีสติทนี้ผมพูดถึงสติเราคิดว่าพูดเรื่องสติสติในสติปัฏฐานสมีสติเห็นกายในกายมีสติเห็นเวทนาในเวทนาเวทมีสติเห็นจิตในจิตมีสติเห็นธรรมในธรรมว่ากายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดีไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตน นี่นายอริยมักเฮียงเป็สต <otal> ินอริยมักเฮียง8ป็ะสติภายนอกก็ออกมาจากอริยมักนั่นแหละทอดออกมาจากอริยมักเฮียงเป็คือสัมมาสติสัมมาสติสัมมาทิปิสัมมาสังกัปโพสัมมาวาจสัมมาธรรมันโตสัมมาอาชีโว สมาวายาโมแล้วก็สัมมาสติมีสติอันถูกต้องอันถูกต้องก็คือสติที่เรียกว่าความคิดนึกที่ถูกต้องแล้วก็ไปสัมมาสมาธิที่นี่ในสัมมา ส, สติมีสี่ข้อข้อหนึ่งก็คือกาย ข้อที่สองก็คือเวทนาข้อที่สามก็คือจิตข้อที่สี่ก็คือธรรมคือธรรมมีสติเห็นกายในกายว่ากายนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไ, ไม่ใช่เราไม่ใช่เขากายนี้ไม่ใช่สัตวบุคคลมันเป็นอะไรเป็นอนิจจงเป็นธาตุ่างหนึ่ง ที่เป็นอนิจจังไหลเรื่อยไหลเรื่อยไหลเรื่อยไหลเรื่อยือแล้วเราไปดูกาอันนี้เป็นอนิจจังไหลเรื่อยไหลเรื่อยไหลเรื่อยไหลเรื่อยทุกขังมันไม่อยากแก่มันไม่อยากเก็บมันไม่อยากตายเอาอวัยวะแต่ละส่วนแต่ละส่วนแต่ละส่วนแล้วก็ก่อนก่อนชุดโทมไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยอย่าข้าไปยึดมั่นหรือมั่นหมาย ว่ากายนี้เป็นตัวกูเป็นของกูเป็นอนัตตามันไม่มีตัวตนมันว่างจากตัวตนกายนี้มันว่างจากตัวตนมันไม่มีตัวตนอย่างกว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่มันเป็นอัตตาทีนี้พมไปสรุปลงก็ว่าเป็นฉุนย่าตาว่างจากตัวตนว่างจากตัวตนนี้อาจารย์ บางอาจารย์ประทอนลูกศิษย์ให้เห็นเห็นอะไรมีจิตเห็นกายในกายมีจิตเห็นเวทนาในเวทนาเห็นแต่ไม่ตลอดสายถ้าไม่ตลอดสายลูกศิษย์ก็ไปติดอยู่ตรงนั้นอีกไปติดอีกเห็นเครื่งเดียวไปเห็นเครื่งเดียวเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเห็นเครื่องเดียว ต้องเห็นในตลอดเห็นในตลอดว่ากายเป็นอนิจจังเป็นทุกขังอยากาเ้าไปยึดมัน่นถึงมันเป็นทุกข์แน่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนสุญญตาทุกอย่างว่างว่างจากตัวตนว่างจากตัวตนเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ว่างจากตัวตนว มาจากไหนดูอดีตมันมาอย่างไรดูปัจจุบันมันเป็นอย่างไงในอนาคตมันเป็นอย่างไรว่างจากตัวตนผู้ที่นุ่งห่มเอาเสื้อผ้ามาสวมใส่ผู้ที่นุ่งหอมเสื้อผ้าอนิจจังทุกขังนัตตางรุนเรตางว่างจากตัวตน ผู้สวอใครก็ว่างจากตัวตนเองไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรนี่บบเรียกว่ามีสติเห็นกายในกายว่ากายนี้ไม่ใช่ใส่ปุกคนตัวตนเราเขากายนี้เป็นอนิจจังเป็นทุกขงังอย่าเข้าไปยิดมัน่นถือมันม่นเป็นอนัตตาว่างจากตัวตนไอ้นี่ดูเวทนา จุกเวทนาพอใจที่เราเข้าไปพอใจจุกเวทนาดิงออกมาเกาะเราแก้แล้วมันหายไปไมเอาไปอีกหายไปหายไปอีกหายไปหายไปอีกไอเวทนามันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นจุกเวทนาก็เกิดดับเอาทุกเวทนาวิ่งวุ้ยวิ่งวไเอาเร็วไปเอาเร็วไอทุกเวทนาก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้น นอนอาตุกตรมาตุกเวทนาไม่รู้อะไรดําำแกดำดำยอมไมบ้างนัมาอพ่ไม่รู้อะไรเห็นดำดแกดตาก็ไม่มีหูก็ไม่ดีแขนขาก็ไม่มีนั้นเลยยอมรู้จักเอาไว้อวิชชาไม่ห็นนันนะอวิชชา อะไรไหมอารมณ์านนี่ก็สอบอารมณ์กันแต่หลวงพ่อเนี่ไม่ต้องสอบหรอกไปอยู่ที่สำนักหนึ่งเป็นทดลองรู้ไปเรื่อยๆเขาก็สอบอารมณ์กันสอบอารมณ์ว่ามีอะไรบ้างอารมณ์มีพระมาถามให้หลวงพ่อไม่ไปสอบอารมณ์ถ้าไปเก็บไว้มันทำไว้ อ, า, อารมณ์ไปเก็บไว้มันทำไว้ก็อย่ามีอารมณ์ แต่ไปมีอารมณ์รู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยไม่มีอารม ณ, รรรมมรมณ์เป็นคนไม่มีอารมณ์นั้นแหละที่สุดแล้ววันหนึ่งเราก็คงใจเรื่องอารมณ์ขึ้นมาขึ้นมาหาพระเดชพระปุณทางรุจธรรมตอนนั้นก็อยู่ชงต่อชงก่นนั่านอาจารย์ครับพระอรหาาันต์ท่านทําใจอย่างไร กันพูคำเดียระนไม่มีอารมณ์อารมณ์รักอารมณ์เกลียดอารมณ์แกร่อารมณ์อิจฉาอารมณ์ริษยาอารมณ์พอใจอารมณ์ไม่พอใจจารวพัดอารมณ์อย่ามีรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยพระอาราันไม่มีอารมณ์ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีอะไร ไม้มีก็ว <si ven indeed> ่างดิว <ice> ่างจากอารมณ์ไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูน่ก็ว่างดีไม่ใช่กูน่นถ้ามีกูกูสวยกูรวยกูหล่มกูแก่กูสาวกูอะไรต่ออะไรนั่นมีแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ปัญญาบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่กูไม่ใช่กู นี้ไม่ใช่ของมันเป็นไม่มีไม่มีไม่มีอารมณ์ก็คือไอ้ไม่ใช่ไม่มีนั่นแหละไม่ใช่ไม่มีนั่นแหละนี้แหละเรียกว่ายาขมใชายาขมใช้ยาหวานที่ใส่ยาพิษข้ามาข้างในน่ะอยู่ข้างในเป็นลูกหวานกินยาพิษกันจนชินแล้วไม่ชอบไม่ใช่กู ชอบกูชอบเป็นกูกูนั่นอย่าพิดกินก็ไปเลี้ยตายกินก็ไปเลี้ยตายกินก็เลี้งตายเกิดับเกิดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นเกิดับอยู่กินแล้วตายกินแล้วตายกินแล้วตายทุกทุกทีกินทุกทีทุกทุกทีหน้าวานทางตาหูจมูกริมกายใจอารมณ์นั่นคือว่าอารมณ์อารมณ์กลางกายรียกว่ารู้ อารมณ์ทางหูเรียกว่าเสียงอารมณ์ทางตางเรียกว่ากริ้งอารมณ์ทางลิ้นเรียกว่ารสอารมณ์ทางกาเรียกว่ากอดจับพักอารมณ์ทางใจเรียกว่าธรรมารมอารมณ์นั้นเข้ามาพอใจ พ, พอมีแก้ไขแล้วพอันเป็นานุสใสพอจากเป็นานุสัยมันเคยชินเคยชินระช่อดูอย่างนะั้นต่อไปสันดาเป็นสันดาแล้ว ทนี้มันขุดยากเลยสันดาลบอกว่าไม่ใจปูไม่ใจกูก็เถียงเราภาวนาว่าไม่ใจปูก็เถียงไม่ใจกูแล้วใครที่น <are there? S 1> no, ั่งอยู่ตรงนี้ก็มึงนั่นแหละแต่มึงไม่เทียงบอกมาหน่อยมึงนั่นแหละแต่มึงไม่เทียงมึงต้องแก่มึงต้องเจ็บมึงต้องตายมึงต้องไปนอนอยู่ในโรงในหีบศพแล้วก็กะเผามึงไหนถ้ามึงมีกูมึงต้องไม่ตายที นี่ทำไมมึนตายอ่ะนี่มันเทียงเห็นไหมเราบอกว่าไม่ใช่กงเทียงเทียงเสียงแข็งเทียงแข็งเทีย ง, ง, ง, ง, งอย่างนั้นเราอยากไปเชื่อมันมันเถียงที่เละเนยมันเถียงโอ้ ม, มีเวลาไปเข้าคอสในการปฏิบัติที่บ้านงานมันมากเออเอาไปเลยเชิญเชิญตามสบายไม่เป็นไรนี มันบอกมันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นมันบอกสารพัดแหละสารพัดเล่หเหี่ยมมันมากอ้ตัวกูเล่หเหียมมันมากดังนั้นเราจะต้องจัดการให้มันเด็กขาดหลวงพ่อบอกว่านี่มันต้องต้องอะไรอักบิดกับมันไม่อักดิบไม่ได้อักบิดกับมันเลย ต้องเล่นอย่างนั้นกับกิเลสตานานี่ต้องเล่นอย่างนั้นเล่นมันเบาๆนีมันไม่ได้มันที่ว่าเราไปเกามันทํานิดๆหน่อยๆมันมาเขคุยแล้วหัวรอกปีกกิเลกหัวรอกเลยหัวนั่นอยู่ทำไมเนี่ยลูกไม่มีไกลอยู่กับลูกอยู่โน่นอยู่กับยายอยู่โน่นกิเลสมันมาบอกอจริงแล้วจริงแล้วจริงแล้วนั้นผมแปลว่านั่งไม่ได้แล้วเป็นห่วงลูก นี่มันมาบอกแล้วก็เสร็จแล้วก็กลับีิเลสก็หัวเราะเนีย่ยครัก่คร่เออเป๊ะอุ้แล้วนวี่เห็นไหมนี่นะมันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นกายก็ไม่ใส่กูมีสติเห็นเวทนาในเวทนาเวทนาความพอใจไม่พอใจเวทนาทั้งสามแหละเหมือนกัน เวทนาทั liberal, gray, ton, 53, ้งสาวโยมเข้าใจว่เหมือนกันทุกขเวทนาเกิดดับว่างจากตัวตนทุกขเวทนาเกิดดับว่างจากตัวตนอทุกเวทนาอทุกกรรมทุกเวทนาเกิดดับว่างจากตัวตนพูดภาษาไทยเป็นอย่างนี้หรือว่างจากตัวตนหมดเอาถ้ามันเกิดเจ็บขึ้นมามันไม่รู้จะทนยังไงแล้วเนี่ยมันเจ็ พาไปโรงพยาบาลทีเธอไปทีเธอไปทีเธอไม่ได้จะตายเพาไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลหมอทำยังไงฉีดยาชาเข้าไปก็ยังทั่วนอไียาชาเข้าไปอ้าหมคิดยาชาเจ็บตาาเ อ, ตอเจ็บตอหลย่ยางนั้ยาชามันมูนานได้เท่าไห ร, นะร่เนี่ยมอกบอกหม เรียนคปัจจัยมันก็เหมือนเดิมอีกแห่งของพระพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นญาของพระพุทธเจ้าพีสติเห็นเวทนาในเวทนาว่าเวทนานี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไ, ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเวทนาทั้งสามนั่นแหละเป็นอนิจจังทุกขังไอ้นักตายอยากเข้าไปยึดมันม่นถือมันม่น เป็นสุญตาว่างจากตัวตนพออยู่กับว่างจากตัวตนพอภาวนาไปซี่ตอนที่ร้อนเจ็บอยู Cal ่อย่างนั้นก็ภาวนาไม่ใจกูไม่ใจกูไม่ใจกูไม่ใ่กูโอ้มันไม่ทันมันก็มันเกิดเหมือนกับไข่มูอย่างนั้นว่างว่างว่างว่างงวงวววางสุนตานั่นแหละว่างว่างว่างวงงว่างว่วเดียวพอได้โอกาส จิตนั yes. ้น yep. ก <Yeah. S 2> ็แยกปลึกออกมาจากร่างกายแยกออกมาจากจิตอะไรแยกจิตออกมาอีกจิตหนึ่งไอ้จิตที่มันอยู่กับร่างกายนี้จิตโกทีนี้แยกจิตฉลาดออกมามแยกจิตฉลาดออกมามายืนเแข่งอยู่ข้างนอกเลยออมายืนแข่งอยู่ข้างนอกยืนจิ้มเลยท้าเลยเอาเงินเจ่าอะไรมึงแก้ไขเลยกูไม่เกี่ยวอยู่ก็บเราฝังครองกัแล้ว อูไม่เกี่ยวอ่อมันว่าอย่างนั้นเอาเลยเจอเลยเจอเลยไม่เจ็บไม่ปวดจักนิดหนึ่มันก็ไม่ปวดยาพระพุทธเจ้าแห่ไม้ยาพระพุทธเจ้าใครเป็นหมอใครเป็นพยาบาลนี่ควรที่จะกินยาของพระพุทธเจ้าเอากินยาของพระพุทธเจ้าหายปวดแล้วจะได้ไปสอน เราอยายานี้ไปให้คนป่วยกินมัน่งนี่มันจะได้ประโยชน์มากับเพื่อนมนุษย์นี่คือมีสติเห็นเวทนาในเวทนาความเวทนานี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเวทนานี้ก็เป็นอนิจจังยึดมัน่นหือมันไม่ได้มันเป็นทุกขังเวทนานี้เป็นอนัตตา พอเห็นว่าเวทนาเป็นอนัตตามันว่างนีว่างนี้ว่างนี้นั่นนก็เลยเห็นว่างจากตัวตนจิตตัวนั้นเห็นว่างจากตัวตนพอจิตตัวนั้นเห็นว่างจากตัวตนก็แยกออกมาไม่เอาเรื่องอะไรจะไปเอาไปทูลไปแปะมันทำไวเฮ้ยได้ไ ห, ไหมยาประพุทธเจ้ามีศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนเราไม่กินไม่เป็นไรยังสบายอยู่ ยังมีเงินมีตทองชา้าสบายอะไรก็สบายหมดสบายหมดถ้าไม่ต้องไปหาธรรมะแล้ววันหนึ่งก็จะรู้สึกอย่างนั้นแหละวันหนึ่งจะรู้สึกดังนั้นต้องหายาพระพุทธเจ้าเอาไว้ด้วยยาพระพุทธเจ้ารักษาีจิตยาภายนอกทาไว้ทาไว้กินยาภายในยรักษาจิต พอรักษาจิตหายจิตอยู่กับสุญญาตาจิตอยู่กับความว่างอยู่กับความว่างว่างว่างว่างว่างอะไรก็ว่างบมดเพราะอะไรมันว่างบอดเพราว่างบอดมันเข้าตัวจุดแล้วครับนิพพานังปรนมังชนอย่างนิพพานว่างอย่างจริงนี่อันนี้พอเราทำมันจะเริงขึ้งจะเริงขึ้งจะเริงขึ้น ก็อยู่กับจิตที่นิพพานมันว่างเจะตายแยกจิตออกมาแยกจิตออกมาต่มึงตายหรือุไม่ได้ตายก็มึงแยกจิตออกมาได้จิตนั้นอยู่กับความว่างหรืออยู่กับสุญยตาจิตที่อยู่กับความว่างอยู่กับความว่างแต่ต่อไปก็อยู่กับความสงบความสงบอยู่มันอยู่ชั่วนี่รันดนอมันอมตะไม่ตาย มันไม่ต้องตายไม่ต้องตายชั่วนาตาปีโลกนี้มันจะล่มสลายดวงอาทิตย์ดวงจันทร์จะเป็น ก, กันเท้กันกบิชนกันกบชนกันเลยจกักรวาลันจะกูไม่ได้อยู่กัพบพวกมึงแล้วอยู่เหนือจิตนี้อยู่เหนืออยู่เหนือหมดอยู่กับความสงบเย็นมีความสงบเย็นอยู่กับความสงบเย็นอย่างนั้นไม่มีคําว่าเกิดไม่มีคำว่าแก่ ไม่มีคำว่าเก็บไม่มีคำว่าตายเลยเรียกว่าอมตะอมตะอมตะอมตะคือไม่ตายอมตะคือไม่ตายนาทีสันติปรำจุกขังจุกอย่างยิ่งนาทีสันติปรำจุกขังนี้จุกอย่างยิ่งนิพานังปรำมังจุกขังนิพานเป็นจุกอย่างยิ่ง ไม่ใช่สุกร้นไม่ใช่สุกรเย็มันเใชนสุกม่ชะงอบปีชงบอยู่กับพระนิพพานอยู่กับความว่าช ง, ง ช, ชงอบปิดสงอบเอาไหมเอาว่าปฏิบัติกันที่ใครจะช่วยนานาพระพทธเจ้ ก, กันว่า น, น, นี่นี่ีลูกเดินทางนี้ทางนี้อรอยิยมรรคีองค์แปดนั่นแหละคือธรรมนั่นแหละคือทางม อางสำหรับทุกทุกคนคนหนึ่งก็เดินไปเดินไปเดินไปคนหนึ่งก็เดินไปคนหนึ่งก็เดินไปนนเดินไปเดินเท่าไรเท่าไร่ไรานั้นเราดังนั้นเราต้องรู้จักต้นทางเราต้องรู้จักปลายทางชีวิตที่เกิดมันจะเป็นสะปิดู้แต่ว่าขมออะไรคนที่เป็นพยาบาลคนนี้เป็นหมอคนดีเออปีหกปีเรียนเป็นหมอ เราเรีเป็นหมอจะไปทำบารินยาโทหน่อยเปทำบารินยาเีหน่อยทำมีเงินมีทรัพย์อ้ยทำบารินาโธบารินยาเองแต่เห็นแล้วเป็นประสงค์เพื่ออะไรเปประสงค์อ่าเพื่อร่ำรวยมีเงินมีทองมีบ้านมีบริวารมีสามีมีภรรยามีทัพ์มีชินโอ้ยหมอรู้ที นั่รถเป็นเลยนีต้องการอย่างนั้นกับอย่างนั้นต้องการอุ้นถ้ารถเป็นซคันนี้ก็ของหมอนี่ของหมอนี่ถ้ารถเป็นซคันนี้ก็สอสอแ น, น่ถ้ารถเป็นคนคันนี้ก็รัฐมนตรีรัฐมนตรีโอ๊้ยมันตายทย่างนั้นเลยพรกนั้นอะแยเจ็บแล้วถ้าเรากินยา่างของพระพุทธเจ้าก็คือเราเดินทางอริยมรรคโยมแปด วันหนึ่งเราจะเดินไปถึงปลายทางทีนี้เรารู้ว่าตอนนี้มันอยู่ตรงไหนเนี่ยเกิดมากี่ปีแล้วยังอยู่ที่ต้นทางต้นทางต้นทางว้าวต้นทางอยู่ตรงนั้นไม่ยอมเดินเลยไม่ยอมเดินไม่ยอมก้าวไปแพื่มันจะถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างไรดังนั้นเราจะต้องรู้ต้นทางอยู่ตรงนี้กลางทางอยู่ตรงนั้น ปลายทางเราต้องรู้เราจะต้องรู้นี่ไม่รู้เลยนี่แหละคือมืดมืดมืดเรียกว่าอวิชชาอวิชชาจิตอวิชชาก็คือจิตมืดไม่มืดเฉยๆด้วยหนวกด้วยอูก็หนวกตาก็บอดไม่เออะไรทั้งอูหนวกทั้งตาบอดจบเกิดเป็นชาติหนึ่งจบอูก็หนวกตาก็บอด จิตอะไรจิตอะไรคือทั้งหลวงทั้งบอดพระพูดอะไรก็ไม่รู้ความไม่รู้เรื่องเรื่องเนยกูไม่เอาแล้วครนั้นหเรื่องไม่เอาคาไม่รู้เรื่องเลยพูดภาษาอะไรไม่รู้เอ็มเอนั่นแหะคือทั้งหลวงทั้งบอดทั้งห่วงทั้งบอดนี่มีสติเห็นกายในการก่อแยกจิตออกมามีสติเห็นเวทนาในเวทนากแยกจิตออกมามีสติเห็นจิตในจิต เห็นอะไรจิตมันมีกี่จิตก็แข่งจิตพอต้องออกมากเดินไอจิตโง่ร้องไจิตฉลาดไอจิตโง่ก็คือจิดตัวูอะไรนะจิตัวกคือจิตโง่นนี้จิตฉลาดจิที่เราคืยกันทุกวันทุกวันหลงเคยพูดไอจิตโง่คือมันติดเงือนไอ้วัวอเงื่อนยำออกมาไตนาก็ทาไม่ได้ดัะนั้นท่านเ ไอ้ใจไอ้วัวเท่นั้นเลยเอามาเตะหนาเอามาคุกเอามาคุกคุกคุกคุกคุกคุกให้มันชินให้มันชินให้มันชินทุกอย่างทุกอย่างสอนมันอะไรมันว่ากันไปไม่ต้องใจร้อนดูจิต ด, ดูจิต ด, ดูจิต ด, ดูจิต ด, ดูจิตว่าจิตมีความโลภ รู้จิตมีความโกรธก็รู้จิตมีความโง่ความหลงก็รู้จิตมีราคะก็รู้จิตมีราคะจิตชุโทชาก็รู้จิตมีโทชาจิตมีโมหก็รู้จิตมีโมหะไอ้ทำไมรู้ไอ้ที่บอลนั่นแหละที่มันไม่รู้ไอ้นี้มันเกิดตัวรู้ขึ้นมาเองนี่ก็เรียกว่ารู้จากจิตรู้จากหมดอะไรอะไรก็รู map, quests, ้จากหมด ไม่รู้จักจิตไม่รู seni, Listen, ้จักจ mm ิต hmm. บ้านคนอื่นก็รู้จักหมดแต่เมืองอื่นรู้จักหมดบ้านเองไม่รู้จักไม่รู้จักรู้หมดที่อื่นบ้านเองไม่รู้จักในบ้านเองของคนอื่นรู้หมดแต่ว่าจิตตัวเองไม่รู้ไม่รู้นี่ดงนั้นจิตรู้จักจิตเรียรู้จักจิตสอง ทำเจ็ดให้ปราโมทก็นั่งเ้ามันอยู่ทำไมคนสูงอายุที่เป็นอนะันใสเมื่อน่ะคิดมาเออลูกหลานมันไม่มาเยี่ยมเลยมันไม่มาดูแลเลยคิดอยู่อย่างนั้นก็ชาติมันมาก็มามไม่มาก็ไม่มาคิดป็นอย่างนั้นพอลูกหลานมาได้วกดีใจก็อย่างนั้น แค่นั้นเองก็แค่นั้นเองทีนี้ขวัญนั่งขวัญนอนขวัญหลับขวัญขวัญอยู่อย่างนั้นก็ถูกอายุก็เลยเป็นอัลไซเมอร์ดีนั่นเองไหมขาดธรรมะก็ขาดธรรมะก็เป็นอัลไซเมอร์เป็นอัลไซเมอร์กลืนอนนี้กลืนกลืนลูกกลืนลูกกลืนนี่การรองอินเสตีลรองกิ๊ด อย่าค so, the ิดเลยไม่เป็นประโยชน์เรื่องนั้นไม่มีประโยชน์อย่าไปคิดคิดสิ่งนี้มันเป็นประโยชน์แล้ก็รู้จิตเนื่งรู้จักจิตร้องางจิตให้ประมวลดภาวนาดีกว่าไหวร่างตัวมดภาวนาเดินจงกรมอ่านหนังสือธรรมะโอ้ไอเรื่องดีเรื่องนั้นยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ย่าไม่เข้าใจก่นสั้นๆกไปสั้นก็ไป ไม่ซ้ำไม่ได้ยาเบืออาหารเคี่ยวทีเดียวกลืนมันได้หรืออย่างนั้นไม่ได้เมื่อก่อนก็ก่อสร้างเขาไม่มีไอ้สว่านสว่วยอะไรไม่มีหรอกสว่านก็สว่านมือมือจคอใจเรื่อยได้ตปะปูตะปูปก็มันได้เหอกินทีเดียวมันได้เหรอต้องกินหลายหลายครั้งต้องจมเนื้อไม้ต้องไป เมื่อก่ยาศสรไมเจริญเดเดดถึงเวลายเวลาคาแปงงอะไราสกระเบือนทกกับไอไอกระเบือลตัวกระเบือทุกจะต้องทเรื่องทเรื่องทเรื่องแกงเรื่องแกงนั้นเือ มีพริดกระไรพริกสดพริกแห้งก็ต้องรายกระไรหน่อยแช่น้ำมันกนเกลือใส่พริกสดใริกแห้งใส่โนในใส่นี้แค่ตั้งทีเดียวมันแหลกตั้ทีเดียว เ, เ, เ, เดวเป็นอะไรคงเหมือนเดิมฉะนั้นตังต้งซ้ำก็ไปซ้ำก็ไปซ้ำก็ไปซ้ำก็ไปซ้ำก็ไปดูเลยวมันยังไม่แหลกมันยังไม่แหลก็ตั้ต่อ เมือนกันไงภาวนาเข้าไปภาวนาเข้าไปไม่ใ่กูไม่ใ่กูไม่ใ่กูไม่ใ่กูเพราะมันจะเนรคือไม่ใจกูสองทีอ่ะไม่ใ่กูเรื่อยเรืยไปเรื่อยตามมันเรื่อยเรื่อามันเรื่อยเรืยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะอะไรตามไปเรื่อยๆืยแปลว่ามันก็เลยเอียร์ก็เลยเอียร์ทีนี้ได้ที่มันก็ได้ที่เอาเอาไปใส่แกง อ๋อเอาไปใส่แก่นั่นก็ข้าไปในเนื้อปลาเป็นอันหเดิมอันเดียวกันกับน้ำของไม่เยียกว่าน้ําดียวเยกว่าน้ําแกงแกงไหมนี่แต่มันต้องบ่อยก่อนเราพูดอะจ้าด้กันว่าอาวิตาเอาดีกันทำให้มากมากปฏิบาติให้มันมากมากเดินเดินโปรให้มากเรื่องะมาณีิให้มากภาวนาให้มากอะไรยังไง ก็เราทำงานแล้วคนไม่เดินคุณทำงานแล้วเวลาเดินคุณเดินฝันด้วยแล้วทำไมคุณไม่ภาวนาเ่ยคุณต้องเดินเก้าอองนะต้องเดินเก้าอองช่วงต้องเดินไปนั้นต้องเดินไปนี้แล้วทาไมเวลาคุณยกเก้าวยกเดินทําไมคุณไม่ภาวนาถ้าเดินยาวก็ภาวนายาวถ้าเดินช้าก็ภาวนาช้ามันไม่มีปัญหาอะไรแล้วมันอยู่ที่เทคนิคด้วยอยู่ที่เทคนิคจ้ะเรา ยอมันอยู่เรื่อยเลยกับกิเลสตัญหาเนี่ยมีสติเห็นจิตในจิตมันต้องเห็นจิตเรีรู้จักจิตหล่อทำจิตให้มันประมดจะให้สบายสบายเออตอนที่อยู่ที่บ้านมันยุ่งยากเรื่องการเรื่องการเรื่องโน้นเรื่องนี้ออมาที่นี่มาให้ยุ่งไปหน่อยเนี่มาให้ยุ่งไปหน่อยให้ยุ่งเน่ยมันก็ดี ยุ่งแต่มันก็ดีก็เอาเวลาไปเรื่องยุ่งนะอย่างนั้นก็เอาวล า, า, า, าไปที่ทำไปที่ทำอยู่ที่จิต น, น, นู่นทนีนมือทํกกามือทำแล้วจิตก็รู้ว่ากันไปทํา ง, งานไปกันขอแต่เรื่องแต่ว่ามันก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละมีสติเห็งกายในการแยกออกมันมีสติเห็นเวทนาในเวทนาแยกออกไปมีสติเห็นจิตในจิตจิต มีราคารู้ว่ามีราคานี่ไม่รู้มีราคาเป็นปล่อยยาวเลยปล่อยยาวเลยนี้เหมือนคนทำนานให้คนเหนือก็เลี้ยงวัวให้คนเหนือก็ทำนานแลว้วก็ไปจงวัวให้กินหญ้าที่กันนารอเชื่องไปยาวคุยก็เลยเป็นปกินข้าวคนอื่นวันนีไปกินผากคนอื่นเรนนี้ก็เหมือนกันเจิต ไม่มีเชือกเราก็ไม่มีเชือกเรายาวเลยโน่นเเล้วก็ไปกงเทพเล้วก็ไปเเล้วก็ไปนี่เเล้วก็ไปนั้นเชือกยาวอยากเชือกยาวมากเลยไปมันก็ดึงออกมาแต่มันเนี่ยถ้าเชือกยาวมันนั่งสมาธินันโดไปแล้วลากเชือกไปแล้วัลากเชือกไปลโน่ถ้าขตัวอย่างนั่งพุทโพุทโไม่ใกูไม่ใ ไอ้หัวก็ผาเชื่อหายไแล้วเห็นไหมไม่เห็นอีกคือไม่เห็นนั้นมีสติเห็นจิตในจิตว่าจิตนี้ไม่ใช่ชาติทุ ก, กตัวตนเราเขาจิตนี้ก็เป็นอนิจจังเป็นอนาาัตต า, าเป็นสุญญาาว่างจากตัวตนถ้าในอน า, านาบานสติคอนเริ่มรู้จักจิตร้องตามจิตให้ประโม่ถ า, ามคำจิตให้ตั้งมันตั้งมันอยู่กับอะไรตั้งมันอยู่กับโ r หมายกัน แค่ก็ภาวนาไปไม่ใจกูไม่ใจกูไม่ใจกูไม่ใจกูเฮ้ยไม่ต้องไปไม่ใจกูไม่ใจกูไม่ใจกูไม่ใจกูแล้วพอข้าใจหน่อว่างจากกูว่างจากกูว่างจากกูว่างจากกูนี่เอามันอย่างนั้นนี่อย่างนี้เรียกว่าทําจิตได้ประโมททําจิตได้ตั้งมั่นทําจิตให้ตั้งมั่นก็ไปไปมาเออมันเชื่องเลย จิตนี่มันเชื่องเลยเว้ยฮ่าเชื่องเลยเว้ยกูจะนอนมั่งแล้วยุ่งกับมึงมันนานแล้วอืเหนื่อยแล้วนอนจะพักหนึ่จิตมันก็ไม่ไปไหนไม่ไปไหนพอเสร็จแล้วพอมันเชื่องได้ที่เรียบร้อยแล้วปล่อยทีนี้ก็ปล่อยจิตปล่อยจิตปล่อยเป็นอะไรเมื่อก่อนของกูจิตกูของกูกงกเนี่ยจิตเป็นกูเป็น ก, เนกูเป็นกูอยู่เรื่อย เสร็จแล้วปล่อยปล่อยจิตให้เป็นอะไรให้เป็นธรรมชาติร่ากายก็เป็นธรรมชาติจิตก็เป็นธรรมชาติเมื่อจิตเป็นธรรมชาติเป็นยังไงโอ้นี่เราเป็นล่า ม, มันเส้านานเราคิดว่าเป็นของกูคิดว่าเป็นตัวกูแต่แล้วก็ปล่อยปล่อยอิจฉะเพราะว่าเราฝึกบันจำนานแล้ว ทีนี้จิตนั้นเป็นอะไรทีนี้เป็นธรรมชาติจิตนั้นก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติก็เป็นธรรมเป็นธรรมเป็นธรรมเป็นธรรมเป็นธรรมเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติระก็ชวดไปเลยรู้บ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ทําไม่ปฏิบัติก็ไม่มีทางกุศลก็ทำมากุศลก็ทำมาอะไรก็ทำมาทำมาทำมาทำมาทํามาเสร็จแล้วได้ร้อยสองร้อยพอแล้ว ให้มาทำมาทำมาไม่รู้ว่าทำมาคืออะไรทำมาคือธรรมชาติร่างกายก็คือธรรมชาติจิตก็ธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติเลยเป็นธรรมชาติที่ว่างจากตัวตนนี่ไม่รู้เป็นธรรมชาติที่มันว่างจากตัวตนเราไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันในธรรมชาตินั้นนี้ก็เรียกว่าปล่อยจิตปล่อยจิต ไม่เอาแล้วจิต ท, ที่เป็นตัวกูของกูไม่เอาแล้วมันเป็นธรรมชาติเอาปล่อยจิตให้เป็นธรรมชาติคือเป็นธรรมมีสติเห็นธรรมในธรรมว่าธรรมนั้นไม่ใช่จับบุคคลตัวตนเราเขาธรรมนั้นก็เป็นอนิจจังเป็นทุกขงังเป็นอ น, นัตตาเป็นถุนในตาว่างจากตัวตนเข้าไปยึดมัน่นถือมัน่นไม่ได้ธรรมนั้นก็เข้าไปยึดมัน่นถือมันไม่ได้ ใช่ปฏิบัตินะกูจะเป็นพระโสดาบันได้ในงานนี้เลยเอา้ายิ่งหนักก็ไปอีกยิ่งหนั ก, กไปอีกจะเป็นพระจกิธาตามีจะเป็นพระนาคามีจะเป็นพระอรหันาหาันอะไรหันซ้ายหันขวาที่หันนะเป็นพระอาหารอาหารันอรหันก็แปลว่าเว้นเว้นเว้นเว้นก็คือไม่ยึดมั่นถือมันไม่ยึดมั่นถือมันอะไรทางนั้นทีนี่เตียบประกาศเปล่าร้อเลย อ้าวอาตมานี่แหละเป็นพระอรหันต์แล้วป้าแล้วนั่นคือบาแล้วปบาแล้วใช่อย่างนั้นคิดเขาก็ยังไม่คิดพระอรหันต์ก็ไม่คิดว่าปูเป็นอะไรว่าปูเป็นอะไรก็คือไม่เป็นอะไรนั่นไม่เป็นอะไรนั่นคือสบายที่สุดไม่เอาอะไรไม่เป็นอะไรนี่สบายที่สุดมาอยู่ที่ตรงนั <group> ้นพระอรหันต์แปลว่าเว้น เ้เพราะทุกอย่างเป็นธรรมชาติเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุเนตาว่างจากตัวตนเห็นหมนี่สติทั้งหมดนี้เรียกว่าสติมีทั้งสติไม่พอมีทั้งปัญญาด้วยมีทั้งสติมีทั้งปัญญาอีนี้สติกับปัญญาถ้าอยู่คนละที่กันก็ไม่ได้ไม่ได้พอมีอะไรเกิดขึ้นมาสติ ดึงปัญญามาทันที mm. ก็เอามาใช้งานสติเหมือนกับมือปัญญาเหมือนกับเครื่องมือดัองนั้นเครื่องมือเราเนี่เราเนีไอ้ที่เรามาปฏิบัติทำรรเรามาสร้างทั้งสติแต่ว่ามันมีอยู่แล้วไม่ต้องไปสร้างให้มันหนักแน่นให้มันมัน่นคงเรามาสร้างปัญญาปัญญาของเราเนี่ย้าเอามาเหมือนกับว่า เครื่องมือที่จะสร้างบ้านสร้างจอสร้างนั้นสเอาเครื่องมือนั้นมาวางไว้กลายกลายเต็มเลยเต็มเลยวางรียงกันนี่นีสติกันมือว่าจะทําอะไรมือนี่ไปหยิบไปหยิบไปสวยเอาเครื่องมือนั้นมาทําฉะนั้นสติไปดึงปัญญามามีปัญหาอะไรก็ไปดึงปัญญา น, นั้นมาแก้ปัญหาสติกับปัญญา มันต้องใกล้ชิดกันถ้ามีปัญญาแล้วขาดสติปัญญานั้นก็เป็นหมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเลยต้องมีทั้งสติมีทั้งปัญญามันจึงจะไปกันได้ไม่อย่างนั้นมันดับทุกไม่ทันนี่นี่ปัญหาที่มีว่า <c oughs> อพระพุทธเจ้าดัดว่าดูก่อนโมกขราท่านจงมีสติ มองโลกโดยความเป็นของว่างเห็นไหมมีสติเพราะสตินั้นดึงปัญญามาดิอันนี้จังทุกขังอนัตตาชนญาตานั่นจงมีสติมองโลกโดยความเป็นของว่างถอนอัตตานุทิฏฐิอัตตาก็คือตัวกูทิฏฐิคือความเห็นความเห็นว่าตัวกูก็วกเข้าไปแล้ว อัตตาโนติเพียแปลว่าความเห็นว่าตัวกูท้อนความเห็นว่าตัวกูออกไปเสียตัวกมรมอกราชท่านจงมีสติมองโลกด้วยความเป็นของว่างก็เห็นสุญญตาสุยญตาสุญญตาเดียาา๋ยวจะไปเห็นสุญญตาทีเดียวมันมันไม่ได้ขึ้นบันไดไม่ใช่ก้าวที่หนึ่งย่างขึ้นไปก็ะวันหนักเลยดังนั้น ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามบันไดสามขั้นขั้นที่สี่จึงจะถึงถึงอะไรถึงสุญญตาขั้นที่หนึ่งอนิจจังขั้นที่สองทุกขังขั้นที่สามอนัตตาขั้นที่สี่สุญญตาพอถึงขั้นสุญญตาเห็นว่าจากตัวตนแล้วเป็นยังไงนอนเลยถึงนอนสงบสงบ มันตึงแล้วนี่มันตึงแล้วมันไม่ยึดมั่นถือมันอะไรแล้วสงบดีกว่าไอ้นั้นข้าวไม้ยึดมั่นถือมันก็ไม่เอาอันนี้ข้าวไม้ยึดมั่นถือมันก็ไม่เอาไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรท่านคิดว่าอย่างนั้นก็ไม่ต้องทํางานเลยก็ทาไปดิทําไปเลี้ยงกายทํางานเลี้ยงกายปฏิบัติธรรมะเลี้ยงทางกายเลี้ยงทางจิตถ้าจิตมันไม่สมประกอบถ้าจิตมันไม่มีคุณธรรม มันก็ทํางานด้วยความโลภมันทางานด้วยความโลภจิตมันก็ทํางานไปปรางตกนรกไปปรางทํางานไปปรางตกนรกไปปรางหลวงพ่อมาทํางานนี้อยู่โอ้ตกนรกไปปรางตกนรกอย่ังไงโยมก็ถวายหรือก่าบไม่รู้งานนี้เขาถวายเท่าไรก็มาดูบ้าอลไรอย่างนั้นตกนรกแล้วแต่อย่างนั้นอะถวายก็ถวายมีถวายก็ช่างมัน เอ็นเป็นอะไรเราได้ให้ก็แล้วเราสบายใจนี่เราให้ก็แล้วก็นี่พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าเนี่หน้าที่มันมีแค่นี้เองแต่การรู้เองสอนสอนผู้อื่นก็มีเท่านี้แล้วพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนท่านไม่ต้องขึ้นรถขึ้นลาไม่ต้องขึ้นเครื่องท่านก็ไม่ต้องจ่ายเงินจักบาทหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้เพราะว่าเหตุปัจจัยมันเป็นไปอย่างนั้นก็ต้องว่ากันไปอย่างนั้น แต่ว่าไปคิดมันทำไมไปคิดมันทำไมไม่ต้องไปคิดถ้าเราไปคิดว่าได้อย่างนี้ทำงานไปปรางตกนรกไปปรางทำงานไปปรางตกนรกไปปรางทำงานตกนรกอย่าง like นั้นนี้มันตกนรกมันได้ก็คือได้มันไม่ได้ก็คือไม่ได้นี่มันแค่นั้นมันแค่นั้นนี่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมันแล้วก็ทางานด้วยด้วยอะไรด้วยจิตปัญญา อยาให้ความโง่มันมาผลักดันให้สติปัญญามันมาผลักดันแต่สติปัญญามันมาผลักดันมีปัญหาอะไรในเรื่องของงานต้อก็แก้ปัญหาไปเพื่อว่ารบายแก้ปัญหาไประบายถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็แก้อย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นก็แก้ไปอย่างโน้ตทางานไปพลังแก้ปัญหาไปพลังอะไรไปพลังนี่ก็ทํางานไปเพลินอย่างนี้เพลินโอ้พอดูนาฬิกาวูด งานเลิกสามโมงครึ่งแล้กว่าสองหโมงแล้วเนี่อมันเพลินก็ดูดิไอพวกเล่นฟุตบอลน่มันค่อยไม่ค่อยดูนาฬิกาหรอกไม่ค่อยดูแต่มันเล่นเล่นเล่นเล่นเล่นเล่นเพลินทีนี้ถ้าเราทํางานเหมือนกับเล่นฟุตบอลอย่างนั้นเ่ยแล้วมันไม่ได้ทีนี้นงานมันก็ได้อะไรมันก็ได้นี่ก็ได้ออกกําลังกายออกกําลังกายเสร็จแล้วก็สบายใจเหงื่อออก เลือออกได้ทางจิตใก็ชุ่มชื่นขึ้นมาแต่ว่ามันก็ไม่ได้ธรรมะไม่ได้ธรรมะเพราะามันทางร่างกายอย่างเดียวที่นี่ที่มันเล่นเล่นเล่นเล่นเล่นเพื่อจะไปแข่งต่างประเทศอะไรต่างประเทศอะไรอย่างมันก็เล่นด้วยความยึดมันม่นถือมั่นเอาตามความสามารถที่มันทําได้อะไรได้จะไปมุ่งหวังอะไรมันเกินไปที่ น, นี่ถ้าเราทางานอย่างนั้น เด็กเห็นไหมเด็กที่มันเล่นแล้วก็เพลินเพลินจนต้องเรียกให้มากินข้าวเด็กถึงเวลากินข้าวเลยมันไม่มามันเล่นเพลินเล่นเพลินถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราเป็นผู้ใหญ่เราต้องทํางานก็ต้องทํางานเพลินทีนี้เพลินเพลินด้วยความไม่ยึดมั่นถือมันถ้าเราทํางานเพลินก็คือไม่ยึดมั่นถือมันถ้าเรายึดมั่นถือมันวันนั้นไม่เพลินแล้วดูนีมันไม่เพลินแล้วอย่างนั้น แต่ทำงานราชการดก็ดูกาลิกาเดี๋ยวก็ <Jasmine. S 2> ดูนาฬิกาเดินช้าหรือเกินวันนี้นี่นั่นแหะเรียกว่ทาทำงานไปพรางตกนร ก, กไปฟางแต่ถ้าทำงานการทำงานคือการปฏิบัติธรรมนี่อย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมให้เป็นการปฏิบัติธรรมไปให้หมดเอาอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็การปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดก็ปฏิบัติธรรมอยู่ที่สํานักพันดาวก็ปฏิบัติธรรม กลับไปบ้านก็ปฏิบัติทําไปล้างหม้อล้างไหยืล้างจานล้างโน่นล้างนี่อ๋อเราก็ต้องล้างร่างอะไรล้างภายในล้างไปในล้างกิจที่มันจกระปรงให้มันออกไปออกไปออกไปออกไปเออทํางานแล้วเห็นไหมฉลาดแล้วอย่างนี้ทำงานฉลาดแล้วค่ะอย่างนั้นบางคนคิดว่าเอยไอ้ล้างหม้อล้างเหยื่อเป็นงานของคนอะไรคนที่เป็นลูกเจ้า เป็นลูกจ้างหรือว่าแม่บ้านเอาดี่ก็เลยไม่รู้อะไรเพราะอะไรมันเลยก็ราะไรไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าการทํางานคือการปฏิบัติธรรมการชักผ้าก็ปฏิบัติธรรมการทํบารุงปฏิบัติธรรมหมดนี่ว่ามันธรรมะตรงนั้นที่ต้านจวดกันนั่นแหละธรรมมาธรรมมาธรรมมาพร้อมกันไม่เชื่อก็ไปที่ป่าช้าที่ผ่านกันมาที่ตรงนั้นนี่เลยธรรมาเนี่ะ ปาชาที่ตรงนั้น เ, เมื่อวนานหลวงพ่อแวะแต่ข้าไปเขาล็อกประตูบอกขอล็อกประตูโยมด่มาบอกโอ้ยดีแล้วดีแล้วกลวัวผีนัน่ไม่กลาเข้าไปผีนั่ะมันดีนะผีนั่ะมันดีนั่นแหละผีนั่นมันจะช่วยตนถ้าเราไปนั่งที่ป่าช้านะ่ะเป็นยังไงโยมภาวนาว่าไม่ใจกูไม่ใจกูว่โอ้ยนั่งตัวเข็งยังไม่กล้าที่จะไหลไปไหนเลย นั่งภาวนาเดียวมันก็เป็นชาวป่าติเห็ น, ะนไหมผีมันช่วยนั่งเลยผีมันช่วยทีนี้ถ้าไม่ดีผีสบายตรงนี้ก็สบายตรงนั้นก็สบายแค่หลวงพ่อก็บอกไปไปนั่งกันที่โน้นไปนั่งกันที่ป่าชา้านั่งกันให้เป็นแถวใครกลัวผียกมือขึ้นอ้าวยกมืออ้าวอย่างนั้นก็อย่านั่งตรงนี้ไปนั่งร้องเชิงตะกอเลยก่อนเล่นกันอย่างนั้นเนี่ยนี่ต้องเล่นอย่างนั้น นิ่งไม่ได้แต่ถ้าสมมติกลัวความมืดในความมืดมันมีอะไรเพ่งก็ไปเลยเพ่งก็ไปเพ่งก็ไปเพ่งก็ไปไหนมันมีอะไรไม่เห็นมันมีอะไรนี่นีแต่ความโง่ตัวเดียวไม่มีอะไรเลยเห็นหมดัแบบนั้นเราต้องหาที่เงียบเงบพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าให้ไปที่ปาา่าจ้าป่าชัดเรือนว่างลองฟาง เห็นไหมไอ้ไปที่เงี้ยเงี้ยป่าไม้อ้าไปที่ป่าไม้ถ้าวัดไหนไม่มีป่าไม้วัดนั้นมีแต่ธุรกิจถ้าไม่มีป่าไม้ก็กล้าไปถึงบาทเจดลูกอย่างน้อยก็แกได้แล้วเจ็ดบาทคนระบาทคนระบาทก็เลยไอ้บาทแล้วลูกระบาทลรกละบาดลูกระบาทแล้วก็ทําธุรกิจกันทางนั้นเลยนี่เรียกว่าหากินเก็บประตู พอยอมข้าไปก็เก็บประตูประตูบุญประตูบุญบุญน่ะเปรว้ยหนักใครยึดมั่นถือมั่นบุญนั่นหนักพอทําบุญทีน่ะก็หนักทีหนึ่งพอเผลอเผลอบุญนั้นก็ค่อยๆหายไปหายค่อยหายค่อยหายค่อยมันเราลงไปหน่อยเอาไปเพิ่มไปอีกเพิ่มบุญไ่อีกพอเพิ่มบุญว่าโอ้เราได้สร้างแลไรเงี้ยได้สร้างกรุตีได้สร้างวิหารได้สร้างนั้นได้สร้างนี้โอ้โโมใหญ่เลยทีนี้โมใหญ่ อ ta, <S <S uh, ้าวพอเบาเบาไปบุญน to ั้นค่อยๆปล่องลงปลองลงปล่องลงป่องลงอ้าไปเพิงบุญอีกเพิ่มบุญอีกบุญนี่ก็แปลว่าหนักแปลว่าหนักมันพอใจเกินที่พอใจน่ยมันเต็มเต็มแล้วมันค่อยๆปล่องเหมือนน้ําที่เราใส่แก้วออกไว้นั่นแหละมันค่อยๆละเหยื่อละเหอยื่อละเหยื่อต่อไปมันก็หมดแก้วอ้าวพอหมดแก้วไม่มีอะไรแล้วเพิ่มใหม่อีกเหมือนกันเนี่บุญนีแปลว่าหนักแปว่าหนัก นักเพราะเข้าไปยึดมั่นถึงมั่นนี่มันเป็นอย่างนั้นทีนี้เราก็จะต้องมีสติดูก่อนโมคขราท่านจงมีสติมองโลกมองโลกกับมองที่จิตนั่นแหละจุดศูนย์กลางของโลกอยู่ตรงไหนอะจุดศูนย์กลางของจักรวาลอยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่จิตอยู่ที่จิตโลกก็คือจิตจักรวาลก็คือจิต ตัวเราก็คือจิตเพราะมันรู้ด้วยจิตมันไปนเก็บไว้ที่จิตหมดเก็บไว้ที่จิตหมดทีนี้มองโลกโดยความเป็นของว่างก็คือมองโลกว่าทุกอย่างอย่าลืม อ, อนิจจังแต่เราไปชอบอะไรก่อนอนิจจังทุกขังอนัตตาเอาจิตตัวก่อนแต่เราไปเกลียดอะไรครับอนิจจัง ทุกขังอนัตตาแต่เราไม่รู้ว่าอะไรอนิจจังทุกขังอนัตตาทีนี้พอต่อไปมันค่อยๆเคลื os, up and up and ่อนย้ายไปเรื่อยพอเราข้าจะอนิจจังนี่มันไหลเรื่อยไหลเรื่อยไหลเรื่อยไืยทุกขังอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันเลยอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนเออแล้วก็ทุกอย่างมันไม่ใช่ตัวตนตรงนั้นเลยไปยึดมั่นถือมันทําไมมันโง่ ทุกอย่างมันไม่มีตัวตนทางนั้นถ้ามันมีตัวตนมันก็ต้องเป็นนิจจังดิเป็นนิจจังมันก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิ ม, ดมอยู่ท่านั้ น, เ, นเป็นอย่างเดิมอยู่อย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นที่ไหเลเรื่อยปูเขามันก็ไหลเรื่อยแหละไม่ใช่มันไหลไปคือมันกัดกร่อนอะไรไปเรื่อยมันไปเรื่อยอย่างนั้นต้องไม้ก็ จากเล็กก็โตขึ้นไ ป, ไปเรื่อยต่อกมันก็ดจริงน้อมันตายจิงนี่มันตายใบมันร่วงอะไรนี่ทางนั้นทางนั้นเลยแล้วเลี้ยงลูกตอนเล็กๆเราโอ้หน้ารักประเพประงมพอโตขึ้นมากป็นหารักพอสิบหาสิบกเ็นหารักโอ้จักจะดือะด้อแล้วเปนหารักจักจะดื้อแล้วจับจ่าด้อพโตโตขึ้นมาไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเอาไปไปมาม า, มาเลี้ยงลูก ตามใจลูกลูกจะเอาอะไรให้หมดไม่ต้องให้อะไรให้เศษกระดาษมันให้เศษกระดาษมันก็ได้หมดเอาแม่ต้องาการลถจะลดเครื่องไม่ได้ลูกรถเครื่องมันอันตรายมากลูกจะไปชนไปอะไรก็ไม่ได้ น, นี่ลูกก็ขาของลูกก็เปนยาวออกไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยนะลูกมีรถเครื่อง ลูกมันก็ไม่เชื่อเด็กที่มันมีรถเครื่องอก็ไปโน่นไปนี่ไปไม่หยุดตุระไม่หยุดเลยผู้ใหญ่ก็เหมือนกันก็ะทั่งลถขึ้นมาตุระไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดเลยมีแต่ตุระมันจะไปเรื่อยมันเรียกร้องที่นี้เป็นยังไงถ้าเราตามใจลูกลูกของเราหดเสียคนทีนี้อกบเพื่อนลูกไกปกบเพื่อน เราคิดที่เราไม่ได้เกี่ยวอะไรไม่ต้องไปรู้จกกักกะไเพื่อนกระปุกต้องรู้จักรูปของเราเพื่อนของลูกเป็นยังไงเพื่อนของลูกเป็นยังไงเพื่อนของลูกไปทางไหนเราต้องรู้ต้องรู้ทิศทางหมดไม่อย่างนั้นคนนั่งเช็ดน้ําตาเลยมีลูกกนนั่งเช็ดน้ําตาเลยมันจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เราวัตถุมันเจะเรีย น, น, น, นจะเรียนจริยนจะเรียนวัตถุมันเจริญเทคโนโยลยีเจริยนประวิทยศาสตร์มันเจริญ ไปนอนกันแล้วเดี๋ยวนี้ไปคน้นคอ้นอะไรไปดูที่ว่าอ่ที่ดาวอังคารมันมีสิ่งมีชีวิตไหมถ้าเป็นหนักหัวอะไรมัน่ะมีชีวิตไม่มีชีวิตไปมให้มันหนักอะไรไอตัวเองมีชีวิตไหมทําไมไม่มองดูข้างไในมีชีวิตไหมมันมีชีวิตอยู่นานเท่าไหร่มีอยู่นานเท่าไหร่แล้วทีวนี้ไอชีวิตนี้มันชีวิตจริงหรือชีวิตปลอม มันอยู่นานเท่านั้นอยู่ถ้าเราไปถามสมเด็หลวงพ่อนี่อยู่ที่ภูเขาเออชีวิตของหลวงพ่อนี่เท่าไรแปดสิบปีเก้าสิบปีอ้ยยาวแล้วอย่างนั้นยาวเนี้ยไปถามใครดีไปถามก้อนหินก้อนหินนีอยู่นานเท่าไร่อยู่ตั้งแต่สร้างโลกอตอนนี้ก้อนหินมันตอบว่าอยู่ตั้งแต่โนู้นตั้งแต่เกิดโลกขึ้นมาโน่นนับไม่ถูกแล้วไม่รู้กี่ล้านกี่ล้านกี่ล้านปี เราคิดว่าเราเก่งกว่าก้อนหินมีอายุมากกว่าก้อนหินโง่จัดๆเลยทีนี้เห็นไหมโง่จัดๆเลยทีนี้ก้อนหินมันพอเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนมันถูกกัดกรอนกัดกรอนกัดกรอนกัดกรอนลงไปเป็นหินเล็กหินใหญ่ลงไปเป็นทรายเป็นอะไรเป็นปุ๋ยเป็นของเป็นดินเป็นอะไรไปนี่ ก็อนหนิ่งคนเป็นอ น, นิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุนญตาว่างจากตัวตนมองโลกโด้วยความเป็นของว่างให้เห็นเป็นของว่างไปหมดอย่ามองโลกว่าอันนี้เพชรอันนี้พลอยอันนี้ทองอันนี้เพชรนิมจินดารมองให้ลึกไปกว่านั้นอีกมองอย่างนั้นก็เรียกปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนมันก็เลยโดนหลอกอยู่เรื่อยเลยใครหลอกอะ กิเลสะมันหลอกกิเลสมันหลอกกันนั้นเลยนี้อันนี้กิเลสมันหลอกโย้กิเลสหลอกจนหัวงอหัวโน่นหมดจนตายโย้กิเลสมันหลอกทีนี้ต้องมีสติมีปัญญาถ้าเรามีสติมีปัญญามันมาหลอกเราไม่ได้เราอยู่ด้วยจิตว่างจิตว่างทางานด้วยจิตว่างจงทํางานทุกชนิดด้วยจิตว่าง ยกผล ง, งานให้ความว่างทุกอย่างสิก็เก็บไว้างเก็บว่ามันไม่ใช่มันเป็นานายเรามันเป็นธาตเราเราต้องการที่จะใช้ก็ไปดึงมันมาใชาท้ที่จงทํางานทุกชนิดด้วยจิตว่ายกผล ง, งานให้ความว่างทุกอย่างสิกินอาหารของความว่างอาหารที่เรากินมันก็ว่างไอ้คนกินมันก็ว่างเพาอะไรอาหารมันมาจากอะไร ข้าวมันมาจากอะไรมันมาจากดินมาจากดินทีนี้อวบเล็ดพืชมันก็เป็นธรรมชาติน็่มันได้ดินมันก็งอกขึ้นมาเป็นรังต้นเป็นรวงเป็นเม็ดเป็นอะไรขึ้นมานี่มันก็มาจากความว่างกินอาหารของความว่างไอ้ ค, คนกินก็ว่างอาหารมันก็ว่างกินอาหารของความว่างอย่างพระกิน พระกินพระฉันพระฉันอาหารของความว่าปฏิสังขายโยนิโสปินทาปาตังปฏิเสวามิย า, าเทวะเอเอ็งมเรียกว่าข้อบิดบ่ลท่านบอพิจรารณาเห็นเป็นของว่างปฏิสังขารโยนิโสปินทาปาตังปฏิเสวามิเนวัตวาย ะ, น, น, ายะนัมมัฏฐานะนมมนารยะนวิยะิมาะดิยะ อันนี้ใบโนดถ้าให้แปลเป็นภาษาไทยก็ยาวไปอีกแหละออกกันไปยาวอีกเองท่านไปศึกษาเองไปศึกษาอะไรคำวัดเย็นคำวัดชา้าคำวัดเย็นในเล่มสองในเล่มสองเล่มเดิมบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องของอาหารเรื่องของเสือผ้าเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของยารักษาโรค ว่างทางนั้นเลยว่างทางนั้นเลยนี่เรียกว่าเป็นของว่างลองทํางานทุกชนิดด้วยสิ่ว่างยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิ้นกินอาหารของความว่างอย่างพระกินตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่วนอีกรัวตายเลยใช่ไตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่วนอี ถ้ามันอยู่ด้วยความว่างดูด้วยจิตว่างมันไม่มีคนมันไม่มีสัตว์ถ้วใครมันจะตายใครมันจะตายก็ไม่มีคนไม่มีสัตว์นี่แหละคือตายเสร็จแล้วแต่ในตัวในตัวแต่หัวทีตายเสร็จแล้วในตัวแต่หัวทีเ พ, พราะพระนิพพานพระนิพพานก็คือกิเลสมันตายเพราะกิเลสมันตาย จิตมีแต่ความสงบเย็นอย่างนี้ไอ้จิตที่ประกอบเพื่อติตปัญญาเยมันจะมีแต่ความสงบเย็นนออะไรจะตายอยทีนี้มันไม่มีกูแล้วมันมีกูไม่มีกูแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะตายมันไม่มีคนมันไม่มีสัตว์พขาบอกว่านี่ที่เขาบอกว่าที่ว่ากันตามๆกันมานั่นแหลวะว่าอศาสนาพระศีอาณะ มีข้าวไม่มีคนกินมีผ้าไม่มีคนนุ่งมีบ้านไม่มีคนอยู่เป็นอย่างไรไม่มีคนอย่างนั้นมันไม่มีคนมีทางก็ไม่มีคนเดินลงไปจากบ้านพี่น้องเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดเลยไม่ใช่เหมือนกันที่หน้าตา คือมีผ้าไม่มีค น, นุนพิจารณาผ้านุ่งผ้าห่มเสื้อแสงอะไรก่อนว่าเป็นของว่าตัวเองก็เป็นของว่านี่ว่างแล้วว่าแล้ ว, ว, ล ว, ว, ลวเพราะนั่นถึงแล้วถึงอะไรถึงพระศาสนาพระศรีอาร์เดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องเราว่าเกิดชาติหน้าไปพบกับพระศีอารนี่พระศีอารอยู่ตรงนี้เราไม่รู้จักเอง นั่หละคือพระศรีอารือพระอริยเมตไตรทีนี้อย่างที่เขาทํานายกันมีใบอะไรใบ ป, ปริวใบอะไรบอกว่าโยนศพศ2560ันห้าร้อิบจะถึงศาสนาพระศรีอริยเมตไตรคือศาสนาที่สงบเย็นแล้วทาไมไม่สงบเย็นมันตายกันเกือบหมดเอไปทึ้งนั้นตายกันหมด ว่าโลกนี้มันลงโทษนะมันโดนลงโทษตรงนั้นผูเขาไวล้ะเบิดที่ตรงนี้มีอะไระก็มีแผ่นดินไหวตรงโน้นเกิดน้ำท่วมตรงนั้นประเทศนั้นไปตรงกับจุดที่ดวงอาทิตย์ดัแล้วมันเกิดความอัดขึ้นมาลมจุริยะมันบรจัดการ ทำให้ฟังทลายก่อนนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอ่านเนี่ยอ่านแน่อะไรอย่างนั้นไม่ถึงจะถนัดก็ต้องอ่านอ่านแน่ทีนี้เราต้องถึงที่เรต้องถึงทีก่อนที่ถึงทีก่อนคืออย่ามีกูนี่แต่มีกูตัวเดียวนี่ไม่ต้องว่าอย่ามีกูมีข้าวไม่มีคนกินมีผ้าไม่มีคนนุ่งมีทางไม่มีคนเดินไม่มีคน เส็จแล้วลงไปจากบ้านหน้าตาเหมือนกันหมดถ้ามันจะไม่เหมือนคนก็มีแต่เมตตาการุณามุติตาอุเบกขามีแต่เอื้อเพื่อเบื่อแปรซึ่งกันและกันนี่มันมีอย่างนั้นทีนี้เขาบอกว่าถึงพระจัตถ์ถึงศา ส, ส, สนาพระศรีอานน์น่ะกเก็ทําเป็นอาหารก็อยู่ครั้งหนึ่งอยู่คระดังของอาหารเสื้อผ้าก็อยู่ครั้งหนึ่ง เป็นกลางเป็นครั้งเป็นแย่กว่าสี่มุมเมืองไใ้สี่มุมเมืองนั้นก็มีทุกอย่างอะไรต้องการอะไรก็ไม่เอามาไว้เอาถ้าที่จําเป็นของตัวเองนั่นแหละไม่ใช่ไปเอามาเก็บไว้ตุนเอาไว้มันไม่ใช่ก็ไม่มีความโลภแล้วในศาสนาพระศอีอรษะก็ไม่มีความโลภและคนก็กนมีแต่จิตเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาก็เช่วยเหลือทั้งการในการอยู่กั น, น, นด้วยธรรมะ ไม่ต้องนั่งให้ศีลก็ดทุกวันทุกวันให้ทุกวันทุกวันศีลไม่มีสักข้อเพราะไม่รักษาเพราะไม่สมาทานมีแต่อุปาทานศีลยึดมั่นถือมัน่นศีลแต่ไม่สมาทานถ้าสม า, าทานศีลปานาฏิบาตไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าเพื่อนมนุษย์ไม่กล่าสิ่งมีชีวิตเพราะมีเมตตากรุณามุติเทาเบกขา ตินนาทานไม่โกงไม่กินไม่ขอรักชั้น ไ, ไม่เอาทางนั้นเลยไม่เอาอะไรทางนั้นเลยนี่เรียวกว่ามีเมตตามีกรุณาโมติตาอุเบกข า, ก า, กานักการเมืองก็เขาไปขอถนอนมาด้กี่ว่าก็ไม่รู้หมอดั้งเงินทำสะพานก็สะพานไม่ทันเจ็ได้แต่เสาสะพาน หมดมีแต่อดีนนาฐานดังนั้นเลยอดินนาฐานโกงกินกันดังนั้นทีนี้ตามเมตุมิจฉาจาร์ปิดลูกปิดเมียกันเป็นวานเล่นปิดลูกปิดเมียกเอากันต่อหน้าแล้วตอนนี้ในกรุงเทพเขาแลกหัวแลกเมียกันรู้ไหมขเขาแทกกันานั่นแหละโอ้ย่อเดือนหนึ่งก็ไปเต้นกันไม่รู้เมียมึงเมียกูแล้วใครก็ดัได้หมดเลยนี่ในกรุงเทพ ก็จะเลย อ, อย่างนั้นจะเลยจิตมันเสื่อมเทื่อมเทื่อมเทื่อมเชื่อจนเป็นสัตว์เดรัจฉานีล้วมันเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างนั้นแห็นไหมกาเมเรมิจชาชาโมสาวว่าโอ้มันไม่พูดกันความจริงนี่นพูดเหมือนหลวงพ่อพูดนี่มันไม่ได้หรอนี่มันสัจจาแต่ว่าคนเดียวนี้ก็ไม่เอาต้าสัจจากขาบอกว่าไม่พอกินเขาเลยพูดแต่พมเสาว่าเห็นไหม อันนี้โชราเมรยาวดจักรวาลมันพัฒนาพัฒนาเมื่อก่อนเนี่ยเล่าเลยเล่าก็มาจากไหนโน่อยู่ที่ป่างไม้นูนที่ปางไม้เมื่อก่อนนกมันไปกินพลิกมาไปกินอันนั้นมามันกินอันนี้หมาแล้วมันก็มีที่ใส่ในปางไม้พอขี่ใส่ในปางไม้กี่พรมไม้ไม้มันตื้นๆนะฝนตกฝนตกก็มีน้ําขังน่าปลา ที่นั่างทีนี้นายปลางก็ไปล่าเนื้อไปล่าเก้งล่าควางไปถึงนี้น้ำอะไรน้าอะไรก็ารามาชิมดูเออมันอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยทีนี้ก็เอามากินกินแล้วบ็หัวโล้าเ้าก้าก้ากกินแล้วสบายมันเริ่มไปหมดนายปรางคน น, นนั้นก็เรียกว่าโอ้น้ำนี้กินแล้วไม่ตายกินแล้วไม่ตายกินแล้วมันสนุกร้องรำทำเพลงเลย น, น ต้นฉ บ, บับเดิมมันมาอย่างนั้นพอวิทยาศาสตร์จเจริญขึ้นมาเท่านั้นน ด, ดาาเล้าก็เป็นเบียจ่าเบียก็เป็นยาบ้าดาายาบ้าก็เป็นยาอีจ่าใจก็อะไรก็ไม่รู้นี่ตกลงกบ้ากันหมดเห็นไหมวร่มตอนนี้ก็บ้ากันเยอะแยะเต็มไปหมดทีนหน้าวัดหลวงพ่อวันก่อนมีการเรารองพอ่อโจนจับกันแลว้ว ที่น้าวัดหลวงพ่อหกคนนี่ก็ไปขังไว้ที่เรือนจําเอาไปขังไว้ที่โรงพักโนโ้นเราก็จองานหน้ามันแล้วอย่างนั้นแหละดีแล้วคือเด็กนักเรียนนี่แหละนักศึกษานี่แหละตัวดีมากไปเช่าบ้านสองคนอยู่กันสิบคนเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยมันไปมั่วสมกันยาบ้านทางนั้นเรื่องยาบ้านทางนั้นเราก็ขี่รถผ่านเลย ที่ตรงนี้มั่วสมๆเพราะพอรู้ทันตีไม่ต้องถามไม่ต้องอะเรเลยยังสายสายตาไปเห็นเพราะ่ารู้รู้ทันตีเลยดังนั้นนี่คือข้อจุดท้ายจุราเมรยะมัชจบาบามันปลี่ยขึ้นมาคนบ้ากันไปหมดคนเครื่องไปหมดทีนี้ไอเด็กที่มันกินยาบ้านกินแล้วมันใช้เวลากี่ชั่วโมงอที่มันครึ่งอยู่กี่ชั่วโมงพอมันหมดลิตมันก็อยากกิน เพราอยากยีมันก็ไปหายี่ายีขอเงินแม่ไม่ได้รักทีขโมอยขโมอยของแม่ของพออง่อก่อนต่อไปก็ออก้างนอกทีนี้่อมันจําใจก็มากมากเรียกว่ามันมันเงียบก็มากมากไปขอเงินแม่แม่ไม่ให้ก็ควันขอเฉเลยเห็นไหมคนดีแล้วมันจะไปควันขอแม่มัได้ยัางไงา น, นั่นเนี่ยคือสราเมรยมัจจำมา ทีนี้แต่จุรา ม, รมีระามายมจักรวาลยาก่าอย่างนั้นแล้วเป็นยังไงข้อหนึ่งารปฏิบัติมัก็ทําได้ข้อที่สองอธินาทางก็ทําได้ข้อที่สามกาเมตุมิจฉาจาร์เออพอาบ้าขึ้นมาแล้วเห็นผู้หญิงวัยรุ่นคนหนึ่งคนนั้นมันขับรถไปกัดรถมารถเครื่องจัดการมันดีกว่าไปอยู่กลางทางไปถึงก็รถมาบุนที่มันเลยให้มันล้ม เรเส็็จแล้วมัมัดข้าวในปากนี่เห็นันมการเมรืองรวมิจฉาจารย์อย่าบ้าอย่าบ้าที่นี่ไอ้มุสสาวาสสบายสบายเพื่อเล็กน้อยมันนี่เห็นหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รับสีหน้าข้อเอาข้อเดียวก็แล้วกันเอายังไงข้อเดียวอย่าเห็นแก่ตัวข้อเดียวพอไม่เห็นแก่ตัว ไม่คาดจัดเพราะเราไม่เห็นแต่ตัวไม่ลรัดรับไม่รัดรับไม่ปิดในกาไม่พูดเตะพูดจอเสียพูดคำยาไม่พูดเฟิรเจอไม่ดื่มไม่ดมไม่มั่วเรื่องจาบ้าไม่เห็นแก่ตัวตัวเดียวพอเอาสี้นข้เดียวพอข้อนี้แหละพอแล้วถ้าดื่มมากเดียวนักข้อเดียวไม่รู้ได้ไม่ได้เห็นไหมนี่ยข้อเดียวเนี่ยมนรวดยอดเลยเอาตามนั้นเอาตามนั้นนี่ วันต้องอย่างนั้นทนี่ศาสนาพระศิริอาร์จะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามใจเราปฏิบัติวันให้ถึงจุดคือจิตว่าถ้าเราถึงจิตว่างวันหนึ่งจิตว่างนั้นเพราะจิตว่างไม่ยึดมันกิดมันเพราะไม่ยึดมั่นหรือมันจท่นั้นก็อยู่กับความสงบและก็ยินดีกับความสงบ ตอนนี้เราก็มีทุกคนมีความสงบกันนั้นแหละถ้าไม่มีความสงบ <c oughs> ไปอ่นขึ้นมาแลงควันด้วยความไม่สงบไปเปลงมาจมูก <c oughs> เดินร่วงทางเพราะไม่มีความสงบไ่รอบข้อเตกร่อมตกรูเดินร่วงข้างข้ามกันหนอนรอบมมก็ชนมัน ต, ต, ต้องตั้งต้นตั้งต้นที่ความสงบ ห, หมด เราทุกคนเราจะทําอะไรเราจะคิดอะไรเราจะพูดอะไรตั้งต้นที่ความสงบเพราะาะนั้นความสงบนี้ตั้งต้นจากก ว, วางตั้งต้นโลกตั้งต้นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวตั้งต้นเป็นจุดตั้งต้นหมดนั่นคือเป็นจุดตั้งต้นนี่คือจุดตั้งต้นต้องสงบทีนี้ในสิ่งเหล่านั้นนั่น ทันต้นให้เป็นคอนขึ้นมาแล้วในคนนั้นความสงบก็บรรจุบรรจุท่าแห่งความสงบเอาไว้ในคนนั้นเช้นว่าเขาบอกว่าเออจะทำอะไรนี่ให้นับหนึ่งถึงสิบก่อนก่ทนสมัยโบราณเหียนไว้โอ้ยาตาตววของเราจะโกรธเพื่อนอย่างนี้ 1-2 ึงสอ ง, งนับช้าช้าที่ 1-2-3 ทงองสามี่ห็ก้าสิบ นับไวไวไม่ได้ไม่ใช่นับไว ไ, ไ, ไวไมัเ ด, ด้งแล้วก็นสิบแล้วโก oh, yeah, แน่อย่างนั้นไม่ได้นนี้จะทําอะไรนับได้ให้ถึงสิบก็คือให้ตั้งต้นที่ความสงบธรรมชาติกองหหามเมล็กพันธุ์เองความสงบให้เราทุกคนเอามาแกะว่าไม่ปลูกไม่ลดน้ําไม่ปลวนดินไม่ดูแลเมล็ดพันธุ์เองความจะบเป็นหมันยกลงเป็นหมัน ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยทีนี้ถ้าเรามาที่นี้เรามาตั้งต้นด้วยการเห็นความสําคัญของความสงบเห็นความสําคัญของความสงบเราก็ปฏิบัติอายวาจาให้สงบอายวาจาสงบเพราะอาศัยอํานาจของศีลวัปนปฏิบาตินะทนิณาทานตาเมเูตุมิจฉาทานอยไปโน้น ท้าไม่ายสงบหายใจสมาธิทำยัไงหายใจเข้าหายใจออกไม่ใ่ปูบังคับมันเอาไว้บังคับมันเอาไว้จนมันนิ่งนี่ความสงบทําให้จิตสงบสีถ้าใหา่กายวาจาสงบสมาธิทําให้จิตสงบนี่เป็นยัง ไ, ไง่อไป ทำกิเลสให้มั น, มนในชงหมดอะไรไปใช้ปัญญาอะไทีนี้เพราะเรามีสมาธิแลว้วเรายกกิจนี้ขึ้นสู่วิปัสนาหรืขญญขอขึ้นสู่ปัญญาพอขึ้นสู่ปัญญาเรื่อยๆๆๆๆจนปัญญานั้นแหลมคมเราก็ค่อย ๆ, ๆตัดค่อยๆถากค่อยๆจิตค่อยๆคุๆๆๆ้จัดการมัน การเหมือนกับว่าเตอนแรกสีลก็แค่ไปตัดยากาแก่นั้นเองสมาติตัดแก้กี่โคนมันโ อ, โอง้งอกขึ้นมาอีกยากานะทายัางไงใช้ปัญญาดีแก้เป็นบอดแก้ปัญญาขุดขุดรากถอนโคนมันไม่เห้เยอเลยครวนดินเอามาเก็บๆก็บเกกบเเนตากแดด้าแดล่อแล้วเผ า, าไฟเผาไว้วปบ่อยลงในน้ำ ปัญญาฉังนั้นปัญญามีหน้าที่ในการจัดการกับกิเลยจีตมีหน้าที่ในการจัดการกับกายวาราสมาธิมีหน้าที่ในการจัดการจิตนี่จัดการดันคนระบบระบบระบบอย่างนี้เลยเลืต่อไปจะไปไหนรอดทีนี้ก็งสงบกายวาราจะสงบไปเใช่นั่งนิ่งคือไม่ทําผิดทางกายทางวาจาเราไม่ทําผิด จิตก็เหมือนกันใจนั่งนิ่งๆิ่งใจมันอยู่ในรูในโพรงอยู่อย่างนั้นมันไม่ใช่ตามจิตให้สงบอาศัยสนาธิเพื่อที่จะยกจิตนั้นขึ้นสวยปัจจนายกขึ้นสวยปัจจนาคือยกจิตขึ้นสู่ปัญญาพูดกันง่ายง่ายเพราะว่าพี่ปัจจนาขโมยนีะโยมยกจิตขึ้นสวยขึ้นสูยปัญญายกจิตขึ้นสูยปัญญาจิตนั้นมันค่อย มันค่อยๆทีนี้จึกษาไปศึกษาไปศึกษาไปอันนี้จําเป็นอย่างนี้ทุกอังเป็นอย่างนี้านันตาเป็นอย่างนี้รุ่ญตาเป็นอย่างนี้เออมีเพื่อมีปัญญาเลยก็ก็เห็นเห็นเห็นเห็นมีปัญญามันค่อยๆเห็นมาแล้วพอเห็นไปถึงสุญีตาอู้จริงจริงจริี่หลวงพ่อบอกว่าไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่เพรไม่ใช่กูเลยมันโล่งไปเลยเนีคมคิดออกโล่งเลย นี่คือต้องใช้ปัญญาเพราะฉะนั้นสายนี้สายนี้สายที่ก็สอนนี้เรียกว่าสายปัญญาไม่ใช่สายโง่สายปัญญาสายโง่เอาไปไหนมันมีอยู่แล้วลเอาใสายเพราะฉะนั้นทุกคนอบรมตัวเองอบรมจิตอบรมกรมายอบรมอาจาอบรมจิตแต่ําให้เกิดปัญญาขึ้นมานเราก็จะได้อยู่กับ โลกของพระศรีอาร์ที่รจัดการจะพบจัตฐานของพระศรีอานคืออยู่สงบอยู่กันด้วยความสงบโลกนี้มันก็น่าอยู่ที่ะไรอย่างนี้มันน่าอยู่ดิทีนี้นี่อะไรน่าอยู่ที่ไหนมีแต่เบียบเบียนตึงกันเรืกันเอาเปรียบตึงกันเรืกันเอารักตึงกันเลืกันมันน่าอยู่ที่ไหนในโลกอย่างนี้ ที่จาโรคพระศีโรคพระศีอ่านเรียนหนงอยู่มีความจมูกเก่ง น, นั้นโรคพระศีรอ่านมันไม่ไกลอยู่แค่เอื้อแค่เอื้องตร ง, งถึงตรงนี้เองอะ่ะแต่เราไปคิดว่าโอ้เกิดชาติหนะ้าพอทำบุญเสร็จแล้วเกิดชาติหนะ้าให้ไปพบกับพระศีรอ่านเถอะนี่อ่านมัอก็อ่านเลยอย่างนั้นโอเคเดี๋ยวนี้โรคประศีรอ่านอยู่แค่ปลายจมูกของเราที่ตรงนี้แหละ อเวลาก็เนเาว่าพอสมควรแล้วขอความสุขความเจริญในทํางจงเกิดมีเป็นญางโยมผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจงทุกๆ ท, ท่านิเดิน